อาพระอาจารย์พัฒนมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตนิมนต์พระอาจารย์ขึ้นหน้าจอนะครับพระอาจารย์ครับกล่าวพิธีการครับผมจเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันแรกปีใหม่เลยครับไลฟ์ครั้งแรกครับผ ม, ม <laughs> จะกลาวเรียนถามพระอาจารย์ครับเมื่อวันที่หนึ่งผมกลับมาแล้วพระอาจารย์กิจบาตรคนเยอะไหมครับที่หนึ่งก็พันสี่ร้อยแปดสิบพันสี่ร้อยแปดสิบ ใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งโอ้โหอย อ, อันนี้นิวไฮใช่ไหมครับอาจารย์นี่นิวไฮแล้วทั้งบ้านนี่ประมาณห้าร้อยยี่สิบก็ประมาณ 2,000 บสองพันวันนี้โอ้โหเพราะว่ามันสิ้นปียงังจะได้วันี้นมันสิ้นปีแค่เจ็ดร้อยกว่าวันที่คุณวันที่สามสิบเอ็ดวันที่สามสิบก็ห้าร้อยกว่าขึ้นมาเป็นเจ็ดร้อยแล้วก็ขึ้นมาเป็นพันสี่ร้อย วันนี้กลับมาลงมาเหลือสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยี่สิบเก้าโอวันนี้ก็เข้าสู่สภาวะปกติแล้วโอ้โหดีพระอาจารย์วันนั้นยังได้นั่งรถนะครับถ้าเดินเนี่ยถ้าเดินคงไม่ไหมวคงจะเป็นลมก็เป็นเป็นโชคอย่างหนึ่งความทุกข์ความเจ็บทางร่างกายก็ช่วยช่วยบรรเทาความทุกข์ถ้าไม่เจ็บก็ต้องเดินถ้าไม่เจ็บหลังก็ต้องเดิน มันเจ็บหลังเลยเดินไม่ไหวก็เลยนั่งรถแต่ก็ลองคิดอยู่เนาะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดรถเสียจะทํำไงก็เลยถามว่าถ้าเราเสียต้องอาศัยคนผักเขาก็ลองผักดูว่าไม่เวลามันเบาผักได้ถ้าเกิดถ้าเกิดรถเสียคนมีลูกศิษย์เยอะแยะก็ช่วยคนหนึ่งก็ช่วยช่วยผักก็ได้เป็นนายชนะแล้ว ปล่อยลักรถมาเลยครับเราคนไปฟังทำหน้ากุดเยอะไหมครับอาจารย์มาที่หนึ่งครับที่หน้ากุดประมาณสามรอยกว่าก็เยอะอยู่ดีรวมกันก็ประมาณพันเศษเศษ0 0กว่าครับผมครับครับสาธุครับก็วันนี้เริ่มต้นครั้งแรกของปีสองห้าหกแปดครับก็เลยขอพระอาจารย์สอนพวกเราถึง ว่าจะทําอย่างไรให้พวกเราบรรลุทําได้ครับอาจารย์ครับกลับกับความไม่ตาอาจารย์ครับการบรรลุธรรมก็คือการดับความทุกข์ขั้นต่างๆพระเจ้าก็แบ่งการดับความทุกข์ไว้สีขั้นด้วยกันขั้นของพระโสดาบันก็ดับความทุกข์ที่เกี่ยวกับร่างกายกับความเจ็บความเจ็บคือเวททุกข์เวทนากับความตายของร่างกายได้ ขั้นที่สองวสกีดาคาเมีก็ระ ง, งับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากจะเสพกามอยากจะร่วมเพศคือทําให้เบาบางลงแต่ยังไม่ได้ไม่ได้กําจัดให้หมดสิ้นไปแล้พอขั้นที่สามขั้นภาณาคามนี่ก็จะกําจัดความทุกข์ที่เกิดจากเวลาเกิดความอยากจะร่วมเพศกับคนนั้นคนนี้ด้วยการให้พิจารณาให้เห็นอสุภะเห็นร่างกายว่าเป็นมีอาการสาสิบสอง เห็นว่าเป็นซากศพเนี่พอเห็นสภาพเหล่านี้ของร่างกายแล้วกามอารมณ์ก็จะดับไปที่ขึ้นอยู่ว่าเราสามารถเห็นได้ตลอดเวลาหรือไม่พระสะกิาคามีก็เห็นเพียงชั่วประเดียวประดาแล้วหลังจากนั้นก็เพอไปคิดพอไปพอไปเห็นว่าสวยงามไปกามอารมณ์ก็ยังเกิดขึ้นได้อยู่แต่ทําให้เบาบางลงแต่ถ้าสามารถมองทุกครัง้งเห็นร่างกายเป็น เป็นซากศพเป็นอาการ32ได้การอารมณ์ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้อนี้ดับความทุกข์ขั้นที่สมได้อย่างคือดับการอารมณ์ด้วยการเห็นว่าอสุภะขั้นที่1ดับความทุกข์ที่เกี่ยวกับร่างกายกับใบหน้าด้วยการเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงก่อนแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้พออยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะทุกข์ เมตนามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางทีก็ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่อยากให้มันสุขอย่างเดียวไม่อยากให้มันทุกข์เพราะมันทุกข์ก็จะทําทให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาต้องปล่อยวางร่าง ก, กายปล่อยวางเมตนาปล่อยวางความอยากเสพการด้วยการเห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามแล้วการสุดท้ายก็มาปล่อยจิตจิตที่ยังยังคือปล่อยอารมณ์ในจิตสภาวะธรรมในจิต ตัวจิตนี้เป็นเหมือนกับท้องฟ้าส่วนสภาวัตถุธรรมนี่เหมือนกับมกเมฆหมอกสิ่งทีอ่อยู่ในท้องฟ้าทึ่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีท้องฟ้าก็มีเมฆมากบางทีก็ท้องฟ้าก็มีเมฆน้อยบางทีก็ไม่มีเมฆเลยจิตก็บางวันก็สับจำใสสดชื่นบางวันก็เศร้าหมองเป็นต้นถ้าไปอยากให้มันจำใสตลอดก็จะทุกข์เพราะว่ามันมันยังเป็นของที่ไม่เที่ยงอยู่ สภาวะธรรมหล่นี้เป็นของไม่ที่ต้องพิเจรณาว่าสภาวะธรรมคือธรรมอารมณ์ที่มีในจิตนี่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันนี้อารมณ์ดีเนี่ยพวกนี้อารมณ์เสียเวลาเดียวอันเดียวกันตอาชาติอา จ, จอารมณ์ดีตอนบ่ายก็อา จ, จะอารมณ์เสียได้เราพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปอยากให้มันแจ่สายเบิก บ, บานตลอดเวลาเพราะถ้าไปอยากแล้วเวลามันไม่เป็นก็จะเกิดความทุกข์ใจ ถ้ารู้ทันว่ามันต้องมีมีบ้างมีจับสายแบบบ้านบ้างมีเศร้าหมองมากก็อยู่กับมันไปอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างใดยอย่างหนึ่งปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยเราก็จะไม่ทุกข์กับมันนี่คือการอัรนับทุกข์ขั้นสุดท้ายต้องมาดูที่จิตแล้วก็ดูดูว่าจิตจิตยึดกับสภาวาธรรมที่มีอยู่ในจิตหร้อไม่ต้องปล่อยวางสภาวาธรรม ความให้สภาวะทำก็เปลี่ยนไปเพราะมีเหตุปัจจัยที่ทําให้มันเปลี่ยนดีบ้างไม่ดีบ้างอยากการเสพสัมผัสรูปเสียงกลิวววว่ว่าต่างๆเวลาเราไปเห็นเรื่องดีๆจิตใจเราก็แจ่มใสพอเราไปเห็นเรื่องที่ไม่ดีจิตใจเราก็เศร้าหมองขึ้นมาแต่ถ้าเราอยากจะให้มันแจ่มใสเบิก บ, บานเพราะเราคิดว่าการจะทําให้จิตเป็นนิพพานได้ต้องให้ทําให้จิตนี้แจ่มใสเบิก บ, บานตลอดเวลาแต่นั้นไม่ไมันไม่ใชจ่จิตที่ยังต้องเกี่ยวข้องกับ โลกนี้อยู่มันก็ยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตามเหตุตามปัจจัยแต่จิตที่ปล่อยวางสภาวะลมได้นั้นเป็นจิตที่ปราศจากความทุกข์นั่นแหละคือนิพพานจิตที่ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางกามอารมณ์ได้ปล่อยวางเวทนาได้ปล่อยวางลป่อยวางสภาวะธรรมในจิตได้จิตท่านที่ปล่อยวางได้ไม่มีความอยากกับสิ่งเหล่านี้จิตก็จะไม่ทุกข์กับมั อันนี้แหละที่ในวันนี้ผ่านอ น, นี่คือสิ่งที่ต้องกําจัดคือความทุกข์ต่างๆแล้วเครื่องมือที่ต้องใช้ในการกาจัดก็คือคือม์มัคมัคนี่ก็มีแบ่งไว้เป็นสองสองชนิดด้วยกันคือคอสองแบบแบบของพระกับแบบของคารวาะของพระก็ใช้ศีลสมาธิปัญญาเอศีลก็คือศีลโยนักบวชศีลสองร้อยี่บเจ็ดก็ แลก็ได้มีเวลาฝึกสตินั่งสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วพอได้สมาธิก็ไปพิจารณาปัญญาพิจารณากายเวทนาจิตว่าเป็นอนิจจ์ทุกขงังอนัตตาก็จะปล่อยวางกายเวทนาจิตได้แต่สำหรับผู้เป็นคารวาาผู้ของเรื่อ น, นี้ท่านก็นสอนให้เจริญมรกด้วยการเจริญทานสีลภาวนาเพราะว่าคารว่ายัง เกี่ยวข้องกับเงินทองอยู่ยังต้องหาเงินหาทองก็ให้หาเงินหาทองมาใช้เพียงแต่เพื่อเดึงดูร่างกายอย่าเอาเงินทองไปใช้เพื่อซื้อความสุขต่างๆเพราะว่ามันจะไม่ได้เป็นเป็นวิธีดับทชดดับความทุกข์ทางใจได้ถ้ายังต้องเกี่ยวข้องกับเงินทองมีเงินทองก็มีไว้เพื่อเป็นปัดเลี้ยงปัดเลยง่างกายด้วยปัจจัยสี่ถ้ามีเกินนั้นก็ให้เอาไปทําบุญทําทานได้หมด จะให้จะได้มีเวลาให้กับการปฏิบัติสิ่งภาวนาได้มากขึ้นทํางานได้น้อยลงเพื่อเราไม่ต้องใช้เงินมากเราก็ไม่ต้องหาเงินมากเราก็จะมีเวลาที่จะไปอยู่วัดมากวันพระก็เข้าวัดไปถือสิ่ศสิ 8, ่แปดฝึกสตินั่งสมาธิยังไม่สามารถไปอยู่แบบพระได้ก็อยู่แบบชั่วคราวไปก่อนเป็นอุบาสกอุบาสิกาถือศิ่งแปดไปก่อนวันไหนว่างจากภารกิจการงานก็เข้าวัดไป ฝึกนี้ไปต่อไปกําลังของศีลศีล ส, ส, ส, สมาธิก็จะมีกําลังมากขึ้นจนถึงขีดที่รู้ว่าไปบวชได้นะไปปฏิบัติทําได้อย่างเต็มเต็มร้อยได้นะก็จะสละสมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดแล้วก็ไปบวชเป็นพระแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นจากทานศีลภาวนามาเป็นศีลสมาธิปัญญา อโหสิบแล้วก็จะมีเวลาปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับถ้าไปถ้าไปอยู่กับวัดที่เป็นวัดปฏิบัติเวลาบวชนี่ต้องเลือกวันนะเพราะถ้าไปวุไปอยู่กับวัดที่เขาไม่ปฏิบัติเนี่ยเขาก็าจะไม่มีเวลาปฏิบัติเขาจะเรียกไปเรียนไปทํารวดทําพิธีกรรมไปทําอะไรต่างๆ ห, หรือเลือกวัดที่มีพิธีกรรมหรือเลือกที่วัดที่ไม่มีไม่มีกิจกรรมทางศีลสมาธิปัญญา ต้องไปอยู่ที่วัดที่วั ด, วดปฏิบัติวัดป่าวัดเขาเนี่ยท่านจะเน้นเรื่องการเจริญศีนสมาธิปัญญาเป็ น, นหลักงานอย่างอื่นไม่ให้ทํางานก่อสร้างงานพิธีกรรมอะไรต่างๆไม่มให้ทําเหมดในวัดป่ามันตะเนี่ยไปอยู่ท่านไปอยู่เข้าไปในว่า้มันเข้าโกงห้ามออกจากวัดออกได้จากเฉพาะเวลาไปบินนบาตอนเช้าเท่านั้นกินนิมนต์ก็ไม่ให้รับ พอออกไปข้างนอกแล้วจิตมัไม่รับรูปเสียงกลิ่นนั้นมาแล้วมันฟุง้งพอกลับมาแล้วจิตมันไม่ยอมสงบมันคิดเรงรูปเสียงกลิ่นรสที่ที่ได้ไปเสษได้สัมผัสมาถ้าไม่มีสติมากพอกําลังอาจจะสู้ไม่ไหวเดี๋ยวก็จะขอลาสิขาไปได้ท่านต้องการให้พระปฏิบัติสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการไม่แห้ออกนอกวัดและต้องอยู่กับท่านห้าปีด้วยกันไม่ให้ไปไหน นอกจากถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินบิดามาดาเจ็บไข้เริ่มป่วยหรืออะไรทำ น, น, น, นองนั้นท่านั่งนั่งแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปเลยฉันจะให้เวลากับการปฏิบัติเต็มที่เลยหลังจากฉันเสร็จฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วทํากิจทาความสะอาดสารา mm. เสร็จเก็บของเรียบร้อยแล้วก็ให้กลับกุฏิไปเดินอยู่ตรงนัําสมานี้จนถึงบ่ายก็ออกมาปัดกวาดฉันน้ําปนานะเสร็จแล้วก็กลับไปส่งน้ำแล้วก็ เดินโยมกองนั่งสมาธิจนถึงประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มก็พักสี่ห้าชั่วโมงติ่นขึ้นมาตีสองตีสามก็เดินจยมกองนั่งสมาธิต่อจนถึงสว่างก็ไปบินาบาติเนี่ยมีกิจแค่เนี้ยสำหรับนักปฏิบัติถ้าต้องการที่จะบุดพ้นต้องการจะบรรลุธรรมถ้าไปทํากิจอย่างอื่นแะล้วเวลามันจะไม่พอกับการปฏิบัติเพราะกิเลสมันทํางานยี่บสี่ชั่วโมงตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมากิเลสมันก็เริ่มออกมาแล้ว แต่เรานี่เป็นผู้คู่ต่อสู้มันก่อนจะคว้าอาวุธปืนมาสู้มันได้บางทีบ่ายซบายไปแล้วก็เย็นไปแล้วถึงค่อยมานั่งสมาธิถึงใครมันจะเกิ่สติกันก็สู้มันไม่ได้ต้องสู้กับมันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาเราก็ตั้งสติก่อนเลยพุโทโธพุโทโธไว้ในใจก่อนเลยอันนี้แหละ ว, วิธีการที่จะทําให้เราสามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้น มันต้องทําแบบจริงจังเป็นแบบมืออาชีพไม่ใช่ทําเป็นแบบมือสบักเล้นมือสบักเล้นก็ทําแค่เวลาไหนเวลาหเวลา ไ, ไหนว่างก็ไปทำหน่อยเวลาไหนไม่ว่างก็ไม่ไม่ได้ไปทําถ้าทํอยานี้ไปอีกร้อยชาติก็ไม่มีวันที่จะสําสเร็จได้ถ้าต้องการจะสำเร็จภายในเจ็ดวั น, วนเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็ต้องทําแบบทำวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้น น, นี่คือมากที่เราต้องเจริญคือเสียก็รักษาศสียงให้สะอาดบริสุทิแล้วก็เจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิให้ได้อัปปนาสมาธิให้ได้อุเบกขาพอมีอุเบกขาแล้วจิตก็จะมีพลังที่จะสู้กับความอยากได้ก็ไปเจริญปัญญาพิจารณาอริยสัจ ส, สี่ใจรับก็จะเห็นว่าตัวที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความอยากอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากให้เวทนาไม่ไ ม, ไม่ไม่มีทุกข์มีแต่สุขอย่างเดียว อยากให้จิตมีแต่อารมณ์ดีๆนแต่จิตมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาต้องรับความอยากเหล่า น, นี้ให้ได้ถ้ามีอุเบกขามีปัญญาสอนให้ละมันก็จะละได้พอละได้จิตก็หลุดพ้นจากความทุกข์ที่ไปยึดไปติดกับกายเวทนาและจิตเนี่ยเนะี่แะคือการบรุษย์ทําขั้นต่างๆพูดโดยเขาน้อยสรุปเนี่ยภาพรวมเป็นอย่างนี้ พอาจารย์กับพระอาจารย์บอกต้องอยู่กับหลวงตาห้าปีแล้วทำไมพระอาจารย์อยู่ตั้งเก้าปีอะครับก็ไม่รู้จะไปไหน <c oughs> เป็นที่ดีที่สุดแล้วก็สบายที่สุดเพราะว่าท่านไม่ไม่มีงานให้เราทำไม่ต้องทาอะไ ร, รให้ภาวนาอย่างเดียวเวลาที่เราก่อนที่จะบวชแล้วก็มีเจตนาที่จะหาที่ภาวนาท่านการที่เราเริ่มปฏิบัติธรรมเร า, าออกจากงานก็บพ่อเพื่อที่เราจะได้มีเวลาให้กับการภาวนา เนี่ยเรามีเป้าหมายอย่างชัดเจนแล้วว่าเราต้องการอะไรเราก็ไปหาสถานที่ความจริงเราไม่ได้ไปหาครูบาอาจารย์นะเพราะเรามีครูบาอาจารย์ขึ้นเราซื้อธรรมะของพระเจ้าเนี่ยสติปัฏฐานสูวนเล่มเดียวเนี่ยก็เป็นเป็นไกด์ได้และเป็นคู่มือสำหรับการปฏิบัติได้นะ้วเพีนงแต่เาอยากหาสถานที่ที่จะให้เราได้ปฏิบัติตลอดเวลาไม่ต้องมากระวนกระวายกับเรื่องกันไปทำมาห า, กกหาเงินห า, นหาทองมาเรื่องปากเรื่องทอง ถ้าอยู่เป็นคารวะก็ต้องไปทํางานหาเงินหาทองมามันก็จะไม่มีเวลาให้กับการปฏิบัติเท่าที่ควรถ้าไปบวชก็ต้องไปบวชที่วัดที่ไม่มีการไม่มีงานอย่างอื่นนอกจากงานปฏิบัติอย่างเดียวก็เลยแสวงหาโชคดีมีหนังสือชาวต่างประเทศเข้ามาเขาสนใจเรื่องวัดที่มีการปฏิบัติเขาก็ไปเข้าไปเยี่ยมไปตรวจวัดทั้งสี่ภาคในประเทศไทยเลยวัดไหนที่มีการปฏิบัติแล้วก็ เขียนสถานที่ที่อยู่อาจารย์บรรยายสอนกรรมฐานแบบไหนะมีทว ด, ดงเขาวั่นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ยพอเราอ่านแล้วก็ประทับใจในวัดขอวงปู่หลงตามาบัวแล้วพอดีไปบวชที่วัดประวังก็มีพระชาวตา่างประเทศเขาก็ไปที่นั่นมา ก, กันหลายรูปเขาก็เล่าให้ฟังก็เลยไปลองไปวันนี้วันนี้ก่อนว่าเป็นยังไงพอได้วันนี้เราก็ไม่ไปไหนเลยถูกใจก็เลยอยู่ไปจนกระทัง่งถึงเวลาที่ว่า ถ้าเราอยู่เป็นงานเราเป็นพระเทเรเป็นพระผู้ใหญ่ต้องมีการรับผิดชอบในงานของทางวัดเนะเราไม่อยากรับผิดชอบเราก็เลยขอละ <c oughs> อย่างม า, มาเป็นอาคารตุ ก, กะมาอยู่แบบเป็นคนที่มาอาศัยก็อยู่ไม่รับหน้าที่ตําแหน่งอะไรทั้งสิน้นเขาอยู่วความสงบอย่างเดียวพอไม่มีอะไรความสุขเท่ากับความสงบเนยะงานการต่างๆยศตำแหน่งตำาหน่ง้งมันเป็นแต่ความทุกข์ทั้งนั้น ใช่ไมเป็นสวแล้วเป็นไงกับเวลาไม่เป็นสวอองานประดันเข้ามาไงใช่ไหมไม่ทนก็ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วตอนพระอาจารย์ออกจากบ้านตัด น, นี้ได้พระอาจารย์ปอกลงตาบ้างไงบ้างไหมครับมอว่าจะกลับมาเยี่ยมบ้านอแล้วก็จะไปไปไปวเวกบ้างอะไรทั้งนั้นนี่แต่ไม่ได้บอกว่าจะกลับหรือไม่กลับ เพราเราก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวกลับไปไปแล้วไม่กลับเดี๋ยวเปลี่ยนใจกลับไปหาที่ที่มันไม่ไม่ถูกใจอยู่ไม่ได้ก็อาจจะต้องกลับไปแต่พอดีโชคดีมาเจอที่วัดยามีเขาเชียวอยู่นี่เงียบเหมือนกั บ, บ้านตาแต่ดีกว่าบ้านตาที่มีพระน้อยสมายที่เราขึ้นไปอยู่มีพระแค่สองสามรูปเองบนเขาเนี่ยหะครับพรอาจารย์น่าบนเขาอืมโอ้มีอาวโุโสกว่าพระอาจารย์ด้วยเหรอครับบนเขากันนั้นไม่มีหราเราหน้าอวุโสที่สุด สมเด็จท่านได้ตั้งให้เราเป็นผู้ดูแลเขาชีโอนครับผม ด, ดีเลยนะครับสุดยอดมาจะนี้เลยครับก็ประมาณ40ปีแล้วตั้งแต่มาอยู่ครับปีปัญญา 27, ปี27นะี่ปี268นะก็41ปีแต่เราขึ้นไปอยู่บนเขาจริงๆเมื่อปี30 30ครับผมบขอบคุณพระอาจารย์ครับ ได้ฟังตำนานมาครับอขอโอกาสพระอาจารย์ครับระหว่างพบภูมิของมนุษย์กับเทวดาถ้าเกิดในพบภูมิใดจะสามารถบรรลุ ธ, ธรรมได้ง่ายกว่ากันครับอ๋อมนุษย์เดี๋ยวนีมนุษย์ได้ง่ายกว่าเพราะมนุษย์นี่มีผ้าอาหารเยอะกว่าในเทวถ้าเป็นเทวดานี่ต้องมีผ้าอาหารที่มีอภิญยาเท่านั้นถึงยำได้หลุดรู้จากผ้าอาหาร น, น, นั้นซึ่งมีน้อยมากท่านบอกว่าพ้าที่มี มีความสามารถมีภัญญาติดต่อกับเทพได้เนี่มีแค่ห้าเปอร์เซ็นตนะ้อยละห้าถ้ามีพระหลานร้อยรูปนี้ก็เป็แค่ห้ารูปที่สามารถจะติดต่อสอนเทเวดาได้แต่ถ้าเป็นมนุษย์นี่มีน้อยรูปสามารถไปสั่เทพสั่งทำไปอยู่กับท่านได้ปฏิบัติรมกับท่านได้แต่ต้องมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเช่นยุคเนี้เป็นยุคที่ยุคทองของของผู้ที่ปรารถนาการบุรพ้นจากความทุกข์ ก็ยังมีผ้าอ่างตัสาวูของพระเจ้ากระจัดกระจายอยู่ตามป่าตามเขาในประเทศไทยเนีทีนี้ชาต่างชาติแถ่กันมาเยอะนะแห่ม า, มาหาสำรวจหาวัดป่าต่างๆตายแล้วไปไหนครับอยากรู้ครับตายถ้าร่างกายก็ไปสู่เมนไปสู่สุสานนะส่วนใจที่ใช้ร่างกายเป็นนายของร่างกายนี้ ก็ไปตามบุญตามบาปที่ทําไว้ถ้าทําบาปก็ไปสวรรค์เป็นเทวดาอ้ถ้าทําบุญก็ไปสวรรค์เป็นเทวดาถ้าทําบาปก็ไปเป็นเปรตบ้างเป็นอักสุรกายบ้างไปนรกบ้างหรือไปเกิดเป็นสัตว์ในราชานบ้างจนกว่าบาปกบุญที่ส่งไปนี้หมดกําลังก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทําบุญทําบาปใหม่อีกรอบหนึ่งทำอย่างนี้มาไม่รู้กี่แสนล้านรอบ จนก่อนจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาที่สอนให้หยุดการเวียนว่ากตายเกิดด้วยการไปปฏิบัติธรรมบวชบวชแล้วปฏิบัติธรรมตัดตัวที่พาให้มาเวียนว่าตายเกิดก็คือกิเลสตัณหาโมหะวิชาให้หมดสิ้นไปจากใจพอหมดแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปแ ต, แต่ใจไม่ได้ตายใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ไม่มีร่างกายอยู่แบบไม่มีร่างกายไปตลอด อาจารย์ครับอย่างคนที่เป็นคนดีทําบุญตลอดแล้วก็ตายไปแล้วไปเป็นเทวดานี้พอลงมาเป็นมนุษย์ก็มีโอกาสที่จะทําดีเป็นเทวดาต่อไปวนอย่างนี้ใช่มชครับใช่ก็เป็นนิสัยเคยทําอะไรไว้มันก็จะติดเป็นนิสัยสังเกต ด, ดูว่าในแต่ละวันคุณหมอทําเคยเคยทำอะไรก็จะทําเป็นอย่างมันไปเรื่อยๆเช้าทํานู่นทํานี่ทําไปมันก็มันเป็นนิสัยอ่ะแตมันก็อาจจะเปลี่ยนได้ถ้าเกิดไปอยู่ไปเกิดในในสังคมที่เขาเขาตรงกันข้ามกับนิสัยเดิมเรา เนี่ยราชอบทำบุญแต่ไปเกิดในครอบครัวที่ชอบทําบาปชอบอบายอย่างมุกนี้เขาก็อาจจะมีอิทธิพลต่อเราตอนที่เราเป็นเด็กดูดเราไปได้นอกจากว่าถ้าเรามีความมีนิสัยที่ฝังลึกอยู่กับการอ่านทําความดีเราอาจจะไม่ชอบการทําบาป ก, ก็ได้ถ้าอย่างนั้นเราก็ก็เปลี่ยนยากแต่ถ้าเราเป็นแบบห้าสิบห้าสิบไปทางไหนก็ได้อย่างเนี้ยแล้วแต่ใครชวน ถ้าอย่างนี <S <S ้ก็ขึ้นอยู่กับสังคมที่เราไปอยู่ด้วยครอบครัวที่เราไปเกิดไปอยู่ด้วยเขาก็จะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงนิสัยของเรานะการนั่งสมาธิควรวางมือไว้หน้าตักหรือแยกมือวางบนเข่าครับผมวางหน้าตักแล้วเผลอหลับส่วนแยกวางหัวเข่าเพราะว่าไม่หลับแต่คิดตลอดท่านอาจารย์แนะนำว่าให้ท่องพุทโธครับคือมันแล้วแต่เราจะ จะจะสะดวกวกันพูดอันไหนเหมาะกับเราแล้วก็วางไม่มีข้อจกำกจัดจํากัดตัวที่ประเด็นสําคัญไม่ใช่อยู่ที่ท่าวางมือหรือวางเท้าอยู่ที่การมีสติหรืไม่มีสติมากกว่านังให้ความสําคัญกับการฝึกสติไม่ควรจะฝึกสติเฉพาะช่วงที่เรามานั่งเท่านั้นมันมันจะไม่กําลังน้อยไม่พอที่จะทําให้จิตสมมงบได้ต้องควรฝึกสติทั้งวันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาท่านสอนให้ฝึกสติ ให้มีคำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธอยู่ในใจไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยไปถ้าจะคิดก็คิดแต่เรื่องที่จําเป็นจะต้องคิดเท่านั้นเมื่อคิดเสร็จแล้วก็หยุดมันแล้วก็กลับมาอยู่ที่พุโทโธพุธโทโธถ้ามันไม่คิดอะไรก็หยุดพุโทโธได้พอมันคิดก็ค่อยพุโทโธใหม่ก็ได้มีคําถามว่าถ้าอยากไปฟังธรรมกับพระอาจารย์ต้องไปกี่โมงครับก็เริ่มต้นสองโมงตรงทุกวัน ทุกวันเสาร์อาทิตย์วันพระวันหยุดราชการเช่นวันนี้วันวันอาทิตย์ก็มีแสดงธรรมตอนบายสองโมงพรุ่งนี้เป็นวันพระก็มีแสดงธรรมในวันตอนบ่ายสองโมงเหมือนกันถ้าเป็นวันหยุดราชการเช่นวันขึ้นปีใหม่วันสิ้นปีก็มีการแสดงธรรมอาทิตย์ที่ผ่านมาสิบวันนี้แสดงธรรมเกือบแปดวันเหมือมีวันมีวันแค่สองวันนวันที่สอวันที่สามนี่วันที่ สี่ที่ห้าก็แสดงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่หกก็แสดงอีกเรื่องมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้ายี่บแปดยี่ิบเก้ามาเนี่ยไล่มาสิบวันนี้มีเ น, นับดูมีมีเว้นแค่สองวันเท่านั้นที่ไม่ได้เทศแต่ก็นอกจากนั้นก็ยังสามารถฝังได้เนี่ยที่สนธนาธรรมนี่ก็เป็นการแสดงธรรมเหมือนกันทุกคืนวันอาทิตย์ที่นี่และคืนวันพุธก็มีอีกอีกรายการหนึ่งช่วงสองทุ่มเหมือนกัน เข้าไปดูติดตามในเฟซ o o k กหรือ u ูทูได้ช่องเดียวกันนี่แหละอาจารย์เหนื่อยยหญหวาอยู่นะครับอาจารย์ก็พอไหวการสนทนาธรรมมันก็มันมันมันไม่เหนื่อยเท่ากับการเทศคนเดียวพูดหนึ่งชั่วโมงนี่ไม่ไม่ได้มีไม่ได้พักเลยพูดไปตั้งแต่เริ่มต้นมาจนกะงถึงวารถึงครบสองชั่วโมงนี่มันเหนื่อยแต่ถ้าคุยอย่างนี้ยังมีเวลาที่จะหยุดฟังคำถามมั้ง เขถามมาแล้วเราค่อยตอบไปเราก็ไม่ต้องไม่ต้องหาเรื่องมาพูดมีคนมามาจุดประเด็นให้เราพูดแต่ถ้าพูดเองนี่มันต้องหาเรื่องคอยคอยเลี้ยงหรือไปเรื่อยๆมันหยุดไม่ได้มันก็ต้มมันก็เหนื่อยตรงนั้นอ่ะเหนื่อยตรงที่พยายามที่จะต้องอขุดคุยเอาเรื่องมาพูดอย่างต่อเนื่องให้มันแล้วก็มันไม่มีหยุดอ่ะไม่มีพักอ่นะช่วงช่วงหนึ่งชั่วโมงที่พูดเนี่พูดไปเรื่อยๆ มันก็เหนื่อยแล้วมันเหนื่อยตรงที่ว่าบางทีไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดตอนถ้าสามารถบรรลุธรรมขั้นโสดาบันในชาตินี้ได้หลังจากนั้นอีกไม่เกินเจ็ดชาติจะบรรลุธรรมขั้นอรหันต์ได้จริงหรือไม่ครับคือถ้าได้โสดาบันในชาตินี้ถ้าปฏิบัติต่อก็ได้ในภายในเจ็ดวันนี้เจดเดือนเจ็ดปีก็ได้ที่แต่บางคนอาจจะตายไปก่อนเช่นกัดอุบัติเหตุ อเป็นพระโสดามันแล้วเดินทางไปต่าจัางหวัดลดความตายอย่างนี้ก็ต้องกลับมาทําต่อก็ถ้าถ้าถ้าแบบนี้ก็ จ, จะต้องกลับมาทำแต่ไม่เกินเจ็ดชาติก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ท่านว่าหมายความว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วปฏิบัติต่อไปบางคนวันนี้เป็นโสดาบั้พรุ่งนี้เป็นสกิดาคารเมลินเป็นอนาคารวันถัดไปเป็นพระอาหารหันต์เลยก็ได้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ ถ้ายังมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนก็สามารถที่จะบรรลุได้อย่างรวดเร็วพร้อมๆกันไปเลยแล้วแต่ละคนแล้วแต่ปัญญาแล้วแต่แล้วแต่พละหา้าคือตัวปัญญาเนี่ยสำคัญปัญญาว่าจะเฉลียวฉลาดที่จะเห็นตายรักในในกายในเวทนาในจิตหรือไม่ ระหว่างวันเจริญสติตลอดเวลาจิตสงบจิตชอบร้องเพลงเปล่งเสียงออกมาถือว่าเป็นการขัดต่อการปฏิบัติธรรมไหมครับมันก็ไม่สงบสิถ้ามันร้องก็ต้องหยุดมันสิเราก็ต้องใช้คำบริกรรมแสดงว่าเราไม่มีสติช่วงนั้นปล่อยให้ปล่อยให้จิตผลิตเสียงเพลงขึ้นมาพอมีอะไรปรากฏขึ้นมาแสดงว่าสติเราเผลอล ะ, ละเผลอสติเรไม่คุมจิตนะ่ะพอไม่คุมจิตจิตที่คอยถูกคุมอยู่มากมากพอมันไม่มี พอปล่อยเบรพะมันก็มันก็แสดงตัวออกมาทันทีปรุงแต่งเรื่องราวเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีนพอไม่ได้ปรากฏจะแสดงว่าสติแล้วเผลอล้วมันต้องกลับมาหาพุโทโธเรือมาดูรำายใจต่อถ้าถูกกดขี่ทางวาจาในที่ทํางานควรท่องพุโทโธและให้ใจยอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมครับใช่อย่าไปฟังเสียงที่เขาพูดให้อยู่กับพุโทโธพอเราไม่ได้ยินเสียงเขาใจที่ ที่บุญวายไปกับเสียงนั่นก็จะสงบลงแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนเขาจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปถ้าเราติดอยู่กับพูดโทไปก็กันเป็นอารมณ์อย่าเอาเสียงเข้ามาเป็นอารมณ์เพราะถ้าเป็นเสียงเขาเป็นอารมณ์แล้วเราจะโกรธเขาจะเสียใจเพราะเราไม่อยากให้เขาพูดอย่างนั้นขอาการ์ครับโยมถูกรถชนใส่เหล็กสี่ชิ้นและเอ็นเทียมนั่งนานยากอยากให้พระอาจารย์แนะนําครับ ก็นั่งเท่านี้จะนั่งได้ถ้านั่งไม่ได้ยืนได้ก็ยืนถ้ายืนไม่ได้ก็นอนก็นได้เพียงแต่ว่าถ่านอนนี่มันจะทำให้หลับง่ายเท่านั้นเองถ้านั่งได้ก็จะเป็นท่าที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกสมาธิแต่ถ้ามันนั่งไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมรับกรรมของเราไปว่าเรามีปัญหา ม, มีมีอุปสรรคความกานการปฏิบัติของเราก็อว่าเป็นกรรมของเราที่เราไม่สามารถนั่งปฏิบัติได้ก็ต้องอาศัยท่านอนไป ถ้านอนได้แล้ว ป, ปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติในท่านอนไปแต่โอกาสที่จะหลับมันมีมากกว่าท่านั่งขณะที่ภาวนานอนดูลมเข้าออกพอเริ่มเห็นลมเข้าออกชัดเหมือนร่างกายมันเริ่มชาและเห็นลมเข้าออกชัดขึ้นแต่สงสัยว่าทําไมได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงและเร็วได้ยินเสียงเต้นหัวใจดังมากครับเกิดจากอะไรครับ เราไม่ต้องไปสนใจเวลาภาวานาให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอยู่กับการภาวานาอะไรจะเกิดขึ้นมาไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นพอไปคิดแล้วมันก็จิตก็จะไม่สงบทันทีไม่ต้องไปสนใจก็พิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุมีปัจจัยทำให้มันเกิดขึ้นเราไม่จําเป็นจะต้องรู้ว่าเหตุปัจจัยนั้นเป็นอะไรรู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปก็พอ อย่าไปสนใจถ้าไปสนใจเช่นไปสงสัยนีย่แสดงว่าเราเพลสติแล้วไม่ได้ภาวนาแล้วไม่ได้ดูลมแล้วเพราะไม่ได้ดูลมแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบไม่ได้ถ้าเราดูลมต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นก็จะหายไปเองแล้วจิตก็จะสมบว่างเย็นสบายบางทีร่างกายก็หายไปจากความรู้สึกเลยนี่คือผลที่เราต้องการคือความว่างความสงบของใจ ถ้าเรายอมสละสมบัติที่ควรจะได้ให้ญาติพี่น้องหรือคนอื่นแบบนี้ได้บุญไหมครับได้ได้เป็นทาน<ม>ทําบุญทําทานให้ใครก็ได้คนคนรับไม่สําคัญอยู่ที่การให้เป็นตัวสําคัญเราจะได้ไม่มีภาระผูกพันกับเงินทองก็นนั้นแล้วเพราะถ้ามีภาระผูกพันมันก็จะเป็นเป็นตัวที่ถ่วงใจเราให้มัมาติดวัาทุกข์กับเงินทองในการปฏิบัติเนี่ยเรต้องการปล่อยวางทุกอย่าง เ้ามายึดสารเสื่เนี่ยต้องต้องปล่อยถ้าไปยึดไปติดแล้วมันจะทําให้เราทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องปล่อยแล้วก็มาปล่อยนาร่างกายมาปล่อยเวทนาแล้วก็มาปล่อยจิตอีกที่ปล่อยสภาวะธรรมในจิตต้องปล่อยหมดเลยจิตต้องไม่ยึดไม่ติดกับอะไรทั้งสิ้นเลยครับญาติผู้ใหญ่อยากไปนิพพานกันหมดเลยแต่ยังไม่รู้จักขันห้าไตรลักษณ์อริยสัจสี่เลยครับ สอนก็หาว่าเราอวดเราไม่เคยอยากจะอวดทางธรรมมีวิธีสอนท่านง่ายๆไหมครับอ๋อง่ายๆคือท่านต้องมาถามเราก่อนใช่ไหมถ้าอยากจะรู้อะไรจากเราหรือเปล่าถ้าก็อยากจะรู้ก็สอนง่ายถ้าก็ไม่อยากจะรู้ก็สอนยากนี่อย่าไปสอนเขาเท่าเขาไม่มาขอให้เราเป็นครูเขาเนีย่ยธรรมเนียมของพระก่อนจะเทศน์นี่ก็ต้องมีอาราธนาธรรมก่อนใช่ไหมคนที่อยากฟังต้องต้องเชิญให้คนมา คนแสดงทำมาแสดงก่อนไม่ใช่อยู่ดีคนอยากจะแสดงทำมาให hey, ้มามาเข้ามาม า, ม า, มาฟังทำกัน <c oughs> เขาก็ลังอยากจะเล่นลไพ่เรามันเรียกก็มาฟังทำเนี่ย <c oughs> ต้องดูให้เขายินดีให้เราเป็นอาจารย์เขาก่อนเราถึงจะสอนเขาได้ถ้าเขาไม่ยินดีอย่าไปสอนเขาให้เสียเวลาเลย <c oughs> ไม่ท่องพุโทโธได้ไหมครับได้ก็ใช่ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ ท่องอย่างอื่นก็ได้สวมดมนุษ์ก็ได้สวดอิพย์โสก็ได้เท่องอ น, นีจจังทุกขังอนัตตาก็ได้มีหลายวิธีด้วยกันแล้วแต่เราจะชอบแบบไหนสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ครับเมื่อทํามากๆเนี่ยทำอย่างทังมันติดเป็นนิสัยมันก็จะเป็นมันอัตโนมัติไม่ต้องบังคับมันเมืต้นนี้มันไม่เคยทํามันก็เลยต้องคอยคอยบังคับมัน พอเราทําอะไรไปเร Finanz, ื่อยๆล้วพอเรืเก like ิดเริ <dévelop per> ่มเกิดความเคยชินขึ La ้นมามันก็จะทําของมันเองต่อไปได้เรียกว่ามันจะเป็นโดยอัตโนมัติพอลืมตาขึ้นมาไครพูดโทพูดโทมันก็จะพูดโทรเลยที่เราไม่ต้องไปบังคับมันแต่ช่วงแรกๆนี้เราต้องบังคับมันก่อนเพราะไม่เคยทํำฝึกไ้เรื่อยๆมันพิมพ์ดีดเนี่ยเวลาพิมพ์เด็ดแรกๆนั้นต้องคอยกดเทือตัวใช่กดแป้นเทือตัวก็ไก่ก็ไก่ขอไข่ข้อไขทาไปเรื่อยๆต่อไปมันก็เริ่มจำได้มันก็เริ่มชํานาญ ต่อไปมันก็ไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปดูแป้นผมเคยอ่านหลวงตาบอกว่าหัดพิมพ์ดีดเพราะมาพิมพ์ประวัติหลวงปูงมั่นเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ตอนนั้นมีสัตยาโยมท่านหนึ่งเขาเป็นบรรณาธิการหนังสือสีสัปดาห์เขาอยากจะขออนุโมทให้ท่านเขียนน้ำเรื่องราวของประวัติของครูบาอาจารย์ตา่างๆเพื่อเอาไปลองเป็นตอนๆหลวงตาท่านก็เลยนะต้องมาฝึกพิมพ์ดีดเพื่อจะได้พิมพ์เอ พิมพ์พิมพ์เรื่องราวส่งไปให้ทางลวงพิมพ์เขพิมพ์เพราะถ้าเขียนด้วยลายมือเขาอาจจะอ่านไม่ถูกอาา่านไม่ชัดก็ได้ถ้าเป็นอะไรม า, มาหัดพิมพ์ดีพอพิมพ์พอพอครบพอหนังสือนิ่มนั้นจบพอพอส่งไปที่สีสีฉบับดาพอครบแล้วเขาก็รวบรวมมาทำมาพิมพ์เป็นหนังสือเป็นแนมไปเลยนิ่มนั้ น, น, นก็เป็น ประวัติของกูมั่นเล่มที่สองก็คือปฏิปทาพระทุนลงกรรมฐา น, นมีหนังสือสองเล่มที่ที่ท่านส่งไปทางหนังสือสีสัปดาห์ที่ทำให้คนที่อยู่นอก ว, วงการอยู่นอก ว, วงการพระกรรมฐานได้รู้จักพระกรรมฐานขึ้มนมาจากหนังสือสองเล่มนี้นน งุดหงิกับคนแซงคิวหรือคุยในโรงหนังสุบรีที่ถนนจะห้ามใจยังไงไม่ให้ขุ่นมัวครับวางใจไม่ได้ครับก็ต้อมองใจว่ามันเหมือนกับดินฟ้ากาศหรการจราจรเราขับรถบนทางถนนเราจะไปควบคุมมังครับรถยนต์ให้อยู่ในระเบียบได้ไหมให้รถไม่ติดได้ไหมมันเป็นเรื่องของอนัตตา ม, มองว่าเป็นเรื่องสภาวธรรมทางธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศ เราไม่สามารถไปควบคุมสั่งให้ดินฟ้าอากาศเป็นไปตามความต้องการของเราได้แล้วก็มางว่าคนที่มีพฤติกรรมต่างๆนี้เราก็ไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ก็ปล <c oughs> ่อยเขาไปแล้วก็ทำใจเฉยๆไปอยู่เขาไปถ้าเราไม่เช่าเขาไปหาที่ที่ไม่มีคนแบบนี้เสียมาอยู่ในป่าคนเดียวรบายน่าตายไปไม่อยู่คนเอง ปัญญาทั้งสมชนิดสามระดับยังอยู่ภายใต้ไตรลักษณ์อยู่ใช่ไหมครับยังเสื่อมได้คือถ้ามันถ้ามันเป็นปัญญาลับไม่เสื่อมถ้ามันถ้ามันเอามาใช้ดับดีเลตได้แล้วมันจะไม่มันจะไม่เดมมันจะไม่เสื่อมแต่ถ้ายังไม่ได้เอามาใช้ดับดีเลตมันยังเป็นสัญญาอยู่ ข้อทีส่สองเมื่อถึงเวลาที่เราไม่มีร่างกายแล้วสติและปัญญาไม่ต้องใช้แล้วใช่ไหมครับเมื่อเราฝึกฝนใช้สติปัญญาสอนใจจนเป็นออโต้ครับอ่สติปัญญาเราต้องมีตลอดเวลาถ้าตราบใดยังกิเลสยังไม่หมดจากใจเราก็ต้องใช้สติปัญญาเป็นททั่วเป็นเครื่องทําลายมันไม่มีร่างกายกิเลสมันก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเป็นพระสวัสดิ์เป็นพระเทวดะเป็นเทวนาก็ยังมีกิเลส เป็นเป็นพรห ม, มื่อยังมีกิเลสอยู่งั้นต้องใช้สติปัญญาเวลากิเลสทำงานแต่ว่าต้องใช้สติปัญญาคอยกาจัดมันปัญญาก็คือตายนักเนี่ยก่อนนั่งสมาธิเราต้องให้จิตมีความสุขก่อนใช่ไหมครับจิตถึงจะรวมได้ครับต้องให้มีสติก่อนนะถ้ามีสติจิตก็จะมีความสุขต้องฝึกสติให้มากมก่อนที่จะมานั่ง การที่เราไปเที่ยวธรรมชาติแคมปิ้งและมีการดื่มวายกับสามีสองคนไม่ได้ทานมากแล้วก็เข้านอนเลยเฉพาะเวลาไปเที่ยวอย่างนี้ถือว่าผิดศีลไม่ครับผิดแม้แต่หยดเดียวก็ผิดถ้าไม่อยากจะผิดศีลก็อย่าไปดื่มมัอนฮะเพราะกลัวมันเดือมนะมันเดืยว ม, มันไม่รามปามไปไอ้กแก้วหนึ่งนะไอ้กแก้วไอ้ขวดหนึ่งนะเดี๋ยวพอเมาขึ้นม า, ากล้วารมารมก็อาจจะตามมาก็ได้ หรืออาจจะไปทำอะไรไปพูดในวาจาที่ที่หยาบคายไปรวนนามคนอื่นนี่ก็เกิดการทะเลวิวาทตีกันฆ่ากันไดในที่สุดคนคนเมานี้ฆ่ากันตายกันมาเยอะแยะอยู่แล้ ว, ลวก็เริ่มต้นจากการดื่มนิดเดียวนะใครไปดื่มจี่ที่ร่ำขวยมัน็อาทีละแก้วทีละแก้วยิ่งดืม่มยิ่งมันครับ พระอาจารย์ครับแล้วอย่างพวกศูนย์เปอร์เซ็นนี้นะครับที่บอกอ<ป>ถ้าไม่มีแอลกอฮอล์กินไปเท่าไรมันก็ไม่เมาใช่ไหมที่มันเมาเพราะเพราะแอลกอฮอล์มันมันก็เป็นเหมือนน้าผลไม้น้ำเครื่องดื่มเบปซี่โคโรานี่เพียงแต่ใช้เป็นรดเบียร์ก็มีคนถามเหมือนกันท่านดื่มเครื่องดื่มที่เป็นรดเบียร์แต่ไม่มีแอลกอฮอล์นี่เป็นยังไงก็ไม่เป็นไรก็เป็นเหมือนเบปซี่เบปซี่ก็มีรสของเขาโคโรนเ ข, นขาก็มีรสของเขาน้ําเขียวน้ําแดงเขก็มีรสของเขา อันนี้ก็น้ำเบียร์แต่น้ำเบียร์ที่ไม่มีไม่มีแอลกอฮอล์เดิมยังไงถ้าไม่มัก็ใช้ได้ไม่มีอิทธิพลต่อการทําให้เราขาดสติบริการพุทโธถี่ๆโดยไม่ต้องหายใจเข้าพุทโธหายใจออกได้ใช่ไหมครับได้ไม่ต้องยุ่งกันเลยเอาอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยพุทโธอย่างเดียวก็ได้หร mm hmm. ือลมอย่างเดียวก็ได้แต่บางคนก็ชาชอบทั้งสองอย่างก็ได้อย่างสมัยนี้พิซซ่ามีสองรสใช่ไหมบางทีขาดเดียวขอสองรส อันนี้ก็แบบเดียวกันคำถามคล้ายๆกันบอกว่าพี่นาการดูลมหายใจดูพองยุบต้องบริกรรมตามที่ดูด้วยไหมครับไม่ต้องหรอกทำอย่างได้อย่างหนึ่งแต่ทำอย่างไรถ้าเราต้องร่วมงานกับคนที่เห็นแก่ตัวเอาเปรียบชอบนินทารับหลังครับ ก็มองถึงเงินเดือนที่เราจะได้รับสถ้าเราไม่ได้ทำงานเราก็จะไม่มีเงินใช้ถ้าเราอยากมีเงินใช้เราก็ต้องอดทนต้องยอมรับสภาพถ้าเราเลือกที่ทางานไม่ได้เปลี่ยนงานไม่ได้ก็ต้องทนทำไปอย่างน้อยเราก็จะได้เงินเดือนเวลาทำสมาธิเหยียดขาได้ไหมครับเพราะว่าหัวเข่าไม่ดีครับ ได้นั่งนั่งเหยียดขาก็ได้แต่คนจะนั่งอยู่ในที่ที่เราไม่ได้ไปไม่ไม่ได้นั่งกับคนอื่นนะเพราะว่าธรรมเนียมไทยเราก็เป็นธรรมเนียมที่เราต้องการมีความสุภาพเรียบร้อยเวลาอยู่ต่อหน้าสาธารณชนเราก็ควรที่นั่งอยู่ในในท่าที่เรียบร้อยการที่จะไปนั่งในโบสถ์แล้วยื่นขาออกไปเนี่ไปหาพระประธานนี่ก็กถือว่าเป็นการไม่มีความเคารพ ก, ก็ต้องรู้จักการละเทสะ แต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราจะเราจะภาวนาในท่าไหนก็ได้ท่านอนก็ได้ท่ายืนก็ได้ท่านั่งก็ได้หรือไม่แต่เวลาเข้าส้วมเราจะภาวนาก็ได้ไม่มีใครรู้ว่าเราภาวนาเราก็พุดโวพุทโวไ้ในขณะที่เราอยู่ในส้วมก็ได้ครับการสวดมนต์ข้ามปีกับทำบุญใส่บาตรแบบไหนได้บุญมากกว่าครับมันบุญคนละอ ย, ย่างไง การสวดมนต์ก็เป็นการเจริญสติฝึกสติการใส่บาตก็เป็นการทำทานบุญได้ต่างกันอันนี้สองต่างกันได้สติก็จะทำใจให้สงบนั่งสมาธิได้แต่ทำบุญใส่บาตก็จะทำให้เราได้บุญที่จะทำให้เรามีความสุขใจเวลาตายไปเราก็จะไปสวรรค์ได้ ว่าเคยไปฟังธรรมะบนเขาครับอยากจะไปอีกตอนนั้นไปได้ให้ห้าวันดีมากเลยครับตอนนี้ก็องมาที่กุฏิข้างล่างนะเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่บนเขานะแต่ก็เป็นธรรมะธรรมะอันเดียวกั น, นะนเนี่ยแต่เรเปลี่ยนสถานที่ น, นั่นเองตั้งแต่ในโควิดเ้าเขาขปิดช่วงนั้นเขาปิดให้คนเข้ามาเราก็เลยย้ายลงมาอยู่ข้างล่างข่าวก่าั บ, บร่างกายทางังคานก็เริ่มไม่ไหวนะก็เลยต้อง ต้องเปลี่ยนวิธีเพราะถ้าอยู่บนเขาก็ต้องเดินลงมาทุกเช้ามืเดี๋ยว น, นี้ก็ไม่ไหวนะเดินไม่ไหวอถ้าจย์ออกมาตีสามเลยใช่ไหมครับตอนอยู่บนเขาประมาณตีสี่ก็ได้ตีสี่ก็ยังทันอยู่ครับเมื่อพิจารณาอสุภะความกลัวผีหายไปเลยกลายเป็นเหตุมนุษย์เป็นผีเพียงแค่มีลมหายใจหมดเลยความสวยความหล่อครับเออ ผี่ก็มาจากร่างกายของเราเนี่แหะโครงกระดูมันอยู่ที่ไหนมันถ้าไม่อยู่ในร่างกายของพวกเราทุกคนมันอยู่ในร่างกายเราเรากลับไม่กลัวมันนะพอมันไปอยู่นอกร่างกายเรากลัวมันทันทีเลยปัญญาจะเกิดเป็นอัตโนมัติด้วยไหมครับหรือว่าต้องพิจารณาเองครับต้องพิจารณายกเว้นว่าเคยพิจารณามาก่อนนะวันจิตสงบมันก็อาจจะโผล่ขึ้นมาได้ ถาเราเพิจารณ า, าสุภาพอยเรือพอจิตสงบอสุภาพภาพต่างๆก็จะอาจจะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นได้โดยที่เราไม่ต้องพิจารณาก็ได้ก็อยู่กับว่าเราเคยพิจารณามาก่อนหรือยังอุปจาระสมาธิไม่ได้มีกับทุกคนใช่ไหมครับใช่เป็นส่วนน้อยเป็นความเป็นความสามารถพิเศษไม่มีประโยชน์ต่ อ, อการมนุษย์ธรรมและอาจจะกลายเป็นนิวร์เกิเป็น เป็นอุปสรรคในการที่ทําให้ไปนบรรลุ์ทําได้ถ้าเราให้เวลากับการเข้าอุปจารสมาธิแทนที่จะเข้าในอัปปนาสมาธิเพราะอุปจารสมาธินี้ไม่ให้ไม่ทําให้จิตมีอุบเบกขาไม่มีกําลังที่จะหยุดกิเลสได้ต้องเข้าไปในอัปปนาสมาธิถึงจะมีอุบเบกขา นั่งสมาธิจิตเป็นสุขใจสว่างอยู่พักใหญ่แล้วก็เป็นขึ้นมาอีกเรื่อยๆเราต้องทำใจอย่างไรครับถ้ามันสุขเราจะทำยังไงเลยว่าเรามาหาความสุขกันไม่ใช่เลยอันไหนมันถ้ามันสุขจริงไม่ต้องมาถามเราคิดว่ายังไม่สุขจริงถ้าสุขจริงมันก็ไม่ต้องการอะไรนะมีภรรยาก็เลิกได้มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็บริจาคได้ไหาความสุขจากจากการทาใจให้สงบดีที่สุด นนี้บอกว่า see the good in all things and don't be afraid to say thank you because when I really pay attention, everything is my teacher always and forever. ก็โอเคถ้าจะจะทนันแล้วแต่ถ้าทแล้วมีความสุขก็ทไป If this is what makes you happy, then go ahead. คุณพ่อไม่สบายมากมีสติบ้างอยากเปิดธรรมไม้คุณพ่อฟังควรจะเปิดเป็นคำเทศหรือเปิดเป็นบทสวดมนต์ดีครับตอนคุณพ่อเป็นคนตัดสินใจสิเราไปตัดสินใจใท่านได้ไงโยมฟุ่มเฟือยในการใช้เงินต้องใช้หลักธรรมข้อใดมาควบคุมการใช้เงินครับใช้เท่าที่จำเป็นเดย์ัณนมันจำเป็นก็อย่าไปใช้มันใช้กับปัจจัยสีก็พอใช้ก็สื้ออาหาร ถ้าเสื้อผ้าไม่พอใช้ก็ไปซื้อเสื้อผ้าใหม่มาใส่ถ้ายังพอใช้อยู่ก็ไม่ต้องซื้อนองเท้าอะไรต่างๆถ้าของยังมีพอใช้อยู่ก็อย่าไปซื้อของหอใหม่เราใของเก่าที่ไม่อยู่ใช้ไม่ได้นะไม่พอใช้แล้วค่อยไปซื้อของใหม่มาใช้ใช้แค่ปัจจัยสี่เท่านี้นก็พออาหารเครื่องมือผมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคถ้าเราใช้แค่ปัจจัยสี่แล้วใช้แบบประหยัดมัธยัติเนี้เดือนนึงจะใช้ไม่กี่ตังค์ก็ถึงหมื่นนึงซ้ำไป ถือศีลแปดในวันพระสมมุติว่าเผลอกดเล่นเกมศีลแปดขาดไหมครับก็ขาดเลยเพราะเราไม่ต้องการที่จะไปดูพวกบันเทิงพวกการลเล่นนเล่นต่นางๆยุคสังคมออนไลน์โยมเศษสมาร์ทโฟนเล่นเฟซไลน์เผลอแป๊บเดียวเอาเวลาที่จะได้ทำอะไรเช่นอ่านหนังสือไปหมดในช่วงคลิปตาสองชั่วโมงผ่านไปรวดเร็วไม่ได้ทำอะไรเป็นเรื่องตันราว ควรแก้อย่างไรดีครับต้องใช้หลักทำข้อใดมาปฏิบัติดีครับก็เปลี่ยนมือถือสิเอาเฉพาะมือถือที่โทรเข้าโทรออกเพียอย่างเดียวไม่สามารถดูอะไรได้ไม่สามารถฟังอะไรได้ในที่โรงเรียนผู้รู้เขาก็มีโทรศัพท์มือถือแต่มันแบบโทรเข้าโทรออกเมื่อก่อนนี้ที่โรงเรียนเขามีโทรศัพท์สาธางหน้าเป็นสายเดีย๋ยวนี้เขายกเขาเลิกไปแล้วเพราะไม่มีใครเดี๋ยวนี้มันไม่มีใครใช้โทรศัพทบสายกันนะ ทางโเรียนก็เลยเราก็เลยบอกทางโรงเียให้ไปซื้อโทรศัพท์แบบโทรเข้าโทร อ, อย่างเดียวแล้วก็อนุ ญ, ญาตให้เด็กใช้ได้ตามเวลาที่โรงเรียนอนุ ญ, ญาตเช่นเด็กอาทิตย์หนึ่งก็า จ, จะให้โทรได้สองสามครั้งครั้งละ 5, ครั้งละยี่สิบนาทีให้เขาติดต่อกับทางบ้านนอกจานี้ก็ไม่ให้เด็กใช้มือถือในโรงเรียนห้ามใช้มือถือไม่มีมือถือเด็กตงไม่อยากจะมาเรียนโรงเรียนนี้กัน ทั้งๆที่โรงเรียนนี้สอนดีสอนให้มีจริยธรรมสอนให้มีคุณธรรมแล้วก็ฟรีด้วยทุกอย่างฟรีทั้งหมดเลยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวแต่กับแม่มาบางทีมามาเรียนได้ไม่กี่วันก็หนีกลับบ้านกันอยู่ทนอยู่ไม่ได้อิที่ทนของของทางโลกนนี่มันแรงมากสมัยนี้ตอนเด็กๆน่ากลัวมากาต่าใบโลกจะเสื่มลงไปเรื่อยๆ ศีลธรรมจะห่างไกลาจากจิตใจของคนมากขึ้นไปเรื่อยๆเห้แม้วันนี้ก็มีมีถ่าวว่าอะไรนะที่เป็นพ่อคุณนายกนี่เขาบอกว่าจะผลักดันให้มีการอะไรเรื่องการพนันออนไลน์ให้ถูกคนหมายให้ได้มันไปทางไหนเนี่ยมันไปทางศีลธรรมหรือไปทางบาอบัยมุขเดี๋ยวผม เดี <c oughs> ๋ยผมเป็นคนต้านเองครับอาจารย์เ <único> ด <Liberty Overwatch> <slightly submarine reais> ี๋วอย่าอย่าไปเลยเดี๋ยวคุณหมอจะเจ็บตัวเปล่าครับนล้อย่าพูดทางวิชาการว่ามันมันมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรอย่าพูดได้ครับผมก็ใช้คําสอนพ้าอาจารย์ครับก็คือทําเท่าที่เราทําได้ครับส่วนจะโหวตจะแพ้ก็ไม่ไม่ใช่ประเด็นครับอาจารย์ครับอืม ถ้าเรานั่งสมาธิได้แต่กิ จ, จวัตรประจําวันในแต่ละวันที่ทําจะพุทโธตลอดจะได้ผลดีไหมครับก็ลองดูสิอันนี้ถ้าเราไม่ลองเราจะไม่รู้ห่ะเพราะเราจะบอกว่าดีแต่ถ้าเราทําไม่ถูกหรือทําทไม่ต่อเนื่องมันก็ยังอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ถ้าทําอย่างต่อเนื่องทำอย่างไม่ขาดตอนนี่กิจใจเราจะสภาพกิจใจเราจะดีมากกิจใจเราจะว่างจะเย็นจะไม่ค่อยมีอารมณ์ว่าวุ่นขุ่นโมเท่าไหร่ เหตุใดผู้ที่มีแต่ความกลัวเมื่อตายไปจึงเกิดเป็นอสุรกายครับมันเป็นคุณสมบัติของโยงวิญญาณบบนั่นเขาตั้งชื่อว่าอสุรกายคือรกลัวกัวสิ่งนั้นสิ่งนี้จะมาทําร้ายเราเราก็ไปทําร้ายเขาก่อนแล้วมันก็จะฝังอยู่ในจิตเราเราจะห ว, ด ว, วาดระแวงหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาการที่เราเห็นจิตเกิดดับเห็นจากธาตุรู้หรือเห็นจากวิญ ญ, ญาณรู้ครับ เห็นจากจิตเนี่ยจิตผู้รู้เนี่ยเห็นด้วยปัญญาปัญญาเป็นผู้สอนจิตว่าเนี่ยจิตอารมณ์ในจิตก็มีไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไมีเกิดไม่ดับเราไปควบคุมบังคับไปสั่งมันไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันไม่ไม่ไม่เกิดไม่ดับมันก็จะทําให้ใจทุกข์ได้เราปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ใจอย่าเราก็เราก็ต้องปล่อยวางสิ่งที่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้ อราใจเราก็จะไม่ทุกเป็นผู้หญิงวัดปฏิบัติเต็มร้อยไม่ต้องทำงานหาสถานที่ยากมากพระอาจารย์มีที่แนะนำไหมบ้างไหมครับก็มีมีวัดของอันนี้ก็พูดไม่ได้เพราะเมื่อก่อนคุณมีคุณแม่ชีแก้วท่านก็มีสรรํานักของอยู่แถวแถวนครพนมหรือแถวมุกดาหารแต่ที่ท่านาตายไปแล้ว วายของท่านนี้จะเป็นเหมือนสมัยที่ท่านอยู่หรือไม่ส่วนใหญ่มักจะไม่เป็นเพราะว่าพอผ้าหลานตายไปแล้วคนที่มาแทนเป็นหัวหน้าไม่ได้เป็นผ้าหลเนี่ยเขาก็จะไม่ไสามารถรักษาคุณภาพของวาดให้เป็นแบบนั้นได้ก็ต้องลองดูก็ลองล อ, งองสายผ้ า, าจารนนั่นนี่แหละกุบ า, าจารย์สายต่างๆครับ ส, สายผ้ า, าจารนนั่นก็มีหลายรูปจะลองไปแสวงหาดูเราก็ไม่สามารถที่จะแนะนํา วัดใดวันหนึ่งได้เพราะว่าเราก็ไม่ไม่ได้ไปนะค่ัเราค้นหาดูสิทธิสายพระอาจารย์นั่งเนี่ยเราก็ลองไปอยู่แตละวัดดูแล้วต้องไปทดลอง เ, เหมือนกันเราไปซื้อรถยนต์เนี่ยเราก็ไปไหลาโชว์รูมใช่ไหมไปยี่ห้อนี้ม้างไปยี่ห้อ น, นั่นั่ ง, นนงก็มีรูปแบบไหนก็ลองขับดูจนกว่าเราจะได้รถที่เราถูกใจเราเราก็ซื้อรถันนั้นไปครับส่วนใหญ่โยมผู้หญิงโดนไปทํากับข้าวใช่ไหมครับอาจารย์ใช่มาม่ ควรจะขี้เกียจเกินไปมล้งควรจะนอนไม่ตื่นสายก็เลยให้มีขอ้ขอวันบ้างจ่ายหนี้ให้ครอบครัวรู้สึกเป็นทุกข์มากทำยังไงให้พ้นทุกข์ครับคิดจนนอนไม่หลับครับเพราะเราห่วงเงินถ้าเราไม่ห่วงเงินเราก็ไม่ทุกข์คิดว่าเป็นการทำบุญเราก็จะไม่ทุกข์คิดว่าเป็นการทำบุญทดแทน บิดามารดาหรือครอบครูที่มีคุณมีคนกับเรามาเทากันจะแสดงความกตัญญูกับดเวทีคนที่ต้องการเริ่มอดอาหารควรจะอดครั้งละกี่วันครับก็ลองทั้งวันก่อนเลยมันสองวันสามวันคล้ายๆเพิ่มไปทีละวันควรทําจิตอย่างไรต้องอยู่กับผู้ใหญ่ที่ใช้อารมณ์พูดจาด้อยค่า เจ้าอารมณ์มากครับให้ความเคารพท่านไปท่านเ อ, องท่านจะพูดยังไงท่นจะอะไรก็เราก็รับฟังไปเฉยๆก่อนหน้านี้จะพักผ่อนจะผ่อนคลายดีที่สุดเมื่อได้อ่านหนังสืออ่านจบเล่มภายในไม่นานแต่ตั้งแต่มีสื่อออนไลน์มีสมาร์ทโฟนเสมือนมันมาแย่งเวลาการอ่านหนังสือโยมไปหมดกลายเป็นพักผ่อนด้วยการเล่นมือถือแทนน้อมกลับขอคําแนะนําครับ ก็ยังต้องมีวินัยในตัวเราเองเราต้องบังคับตัวเราเองว่าเราจะใช้มือถือเฉพาะการทำงานทำสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์นอกานั้นเราก็จะไม่ใช้มันเราจะมาเอาเวลาว่ามาอ่านหนังสือเหมือนที่เราเคยอ่านวิปัสสนากรรมฐานแก้กรรมได้ไหมครับกรรมใหม่แก้ได้แต่กรรมเก่าแก้ไม่ได้คือเราไปททำบาป ท, ทำกรรมพอเรามาปฏิบัติวิปัสสนาแล้ว การทำบาทำกรรมก็จะน้อยลงหรือไม่ทำเลยเทวดามีตายไหมครับก็เป็นจิตที่ที่มีความสุขจากบุญพอบุญหมดก็เสื่อมจากการเป็นเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์แต่จะเรียกว่าตายก็ไม่ตายมันพูดไม่ได้เพราะว่าจิตมันไม่ได้ตายมันเป็นการความเสื่อมของจิตความเสื่อมของบุญที่มีอยู่ในจิต พอบุญเสืงอมลงมาอยู่ระดับของมนุษย์ก็เลยมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อเป็นสตรีเพศก็อยากพ้นทุกข์อยากหยุดพ้นมีหนทางใดบ้างครับก็เนี่ยปฏิบัติทานศีลภาวนาให้เต็มที่ควรจะต้องน้อมไตลักษณะมาพิจารณาเป็นประจำเหมือนนั่งสมาธิเป็นประจำไหมครับ มันเนขั้นตอนขัแรกต้องทาสมาธิให้ชํานาญก่อนแล้วก็ค่อยฝึกฝึกตายรับฝึกทางปัญญาโดยเราอา จ, จะทําสลับกันก็ได้ช่วงนี้เราทําสมาธิช่วงต่อไปเราทําปัญญาแต่บางทีการทําปัญญ า, า, าอาจจะทําให้จิตฟุ้งซ่านขึ้นมาและอาจะทําให้เข้าสมาธิได้ยากก็ได้ดงนั้นก็ต้องดูว่าการพิจารณาทางปัญญาเนี่ยทำให้ใจสงบหรือทําให้ใจฟุ้งซ่าน ท้าทำให้ใจฟุ้งซ่า น, นั็แสดงว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะเจริญปัญญางั้นควรจะเจริญแต่สติกับสมาธิก่อนจนกว่ารเราสามารถมีสติที่สามารถควบคุมการเจริญปัญญาให้ทําใจให้สงบได้ไม่ได้ทําใจให้ฟู้งซ่านได้แล้วเราค่อยไปทานปัญญาต่อไปเพื่อนบ้านจอดรถผิดที่เราโทรแจ้งนิติหมู่บ้านบอกเขาเดินรถเขาไม่พอใจด่าเราแบบนี้คือเราไปก่อ กรรมกับเขาหรือเปล่าครับหรือจะให้ปล่อยวางเฉยๆก็สร้างความเดือดร้อนให้กับเราและคนอื่นเราควรจะทําอย่างไรดีครับไม่ต้องเลืยเนาะถ้าเราเฉยๆเราก็ไมถูกก็ได้ถ้าเราไม่เฉยเขาก็ด่าเราก็มีท่านนั้นอาจจะเลือกเอาอย่างไงเลี้ยวซ้ายก็ไปทางนั้นเลื้ยซ้ายเข้าไปถึงร้านอาหารเลี้ยวขวาก็ไปถึงร้านร้านขายขนมคุณจะเอาเอ า, เอาทางไหนล่ะคุณอยากจะกินขนมก็เลี้ยวขวาไป อยากกินอาหารก็เลี้ยวซ้ายไปอยาจะให้เ้าดากก่าก็ว่า ก, ก็ก็ไปเรีย ก, กเรียกมิติมาถ้าไม่อยากให้เขาด่าก็กิอยู่เฉยๆไปหมอให้มอร์ฟีนคุณพ่อตลอดทําให้มีสติบ้างไม่มีบ้างควรจะทําอย่างไรให้คุณพ่อมีจิตสุดท้ายที่สงบดีครับ ม, มันไม่ได้อยู่ที่เราที่ไปทำํำมันที่ท่านว่าท่านมีสติแล้วไม่มีสติมีปัญญาแล้วไม่มีปัญญา ถ้ามีสติมีปัญญาโปรงได้วางได้จิตก็จะสงบถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาจิตก็จะเครียดจิตก็จะทุกข์อันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะไปทำอะไรให้กับท่านได้มันเป็นเรื่องของของตัวท่านเองที่จะต้องทำตัวท่านเองอัตตาเหีอัตโนนาถุาสุพระโสดาปติมัตยังไม่ได้เป็นสโสดาปติผลลงอบายได้ไหมครับ ได้ถ้าไปทําบาปก็ยังไปอบายนะได้ถ้าทำบาปมากก็ทําบุญก็ยังไปอบายนไะด้ฝึกเจริญสติในชีวิตประจําวันแต่ยังหลงเยาวอยู่จะทําอย่างไรให้มีสติได้อย่างต่อนเนื่องครับสึกพุโทโธบ่อยๆท่องพุโทโธบ่อยๆท่องไปทั้งวันพอเริ่มตาขึ้นมาก็เริ่มพุโทโธเลย ขอโอกาส พ, พระอาจารย์เมตตาเรื่องสัมมาสมาธิครับการปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ถึงฌานที่1ถึงสี่ครับก็ให้สติอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวแล้วอยู่กับลมหายใจยอย่างเดียวนะไม่ต้องไปสนใจแล้วมันก็จะไปแบบเกียร์ออโต้สมัยนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ใช่ไหมเข้าเกียร์เดียวหน้าแล้วมันก็จะเปลี่ยนเกียร์หนึ่งเกียร์สเกียร์สาเองเรื่องเรามีหน้าที่เหยียบคันเล่นก็เหยียบไปได้อย่างเดียวอันนี้ก็เหมือนกันเข้าฌาน1ถึงสี่ก็อยู่ที่สติ มีสติอย่างต่อเ น, นื่องให้อยู่กับพุโทโธและอยู่กับลมหายใจแล้วมันก็จะเปลี่ยนเกียร์ให้เราเองโดยอัตโนมัติจนถึงถึงชาตที่สี่พอถึงชาตที่สี่เราก็รู้ว่าเราจิตนิ่งสงบเต็มที่แลนะก็ไม่ต้องทําอะไรนะตอนนั้นพุโทโธก็หยุดไปลมหายใจก็หายไปแต่เราจะมีสติรู้อยู่กับความสงบนั้นก็พยายามคอยคับประคองความสงบนั้นความจงเราไม่ต้องประคองมันมันจะสงบของมันเองเมื่อถึงเวลามันก็จะออกมา ถ้ามันออกมาเราอยากจะให้มันสงบใหม่แล้วก็พูดโทรใหม่ดูลมหายใจใหม่มนุษย์เราตายแล้วเกิดทันทีไหมครับถ้าระมาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันไม่แน่นะถ้ายังต้องไปรับผลบุญผลบาปอยู่มันก็ต้องไปรับผลบุญถ้าไปฆ่าฆ่าเป็ดฆ่าไก่มาร้อยตัวพันตัวจะต้องไปเกิดเป็นเป็ดไก่ให้เขาฆ่าทั้งทั้งร้อยร้อยร้อยครั้งพันพันครั้งดังการมที่เราทำไว้มันหมดกําลัง ถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอมีสติรู้อารมณ์ทันก็กลับมาบริกรรมต่อทุกเลยน้อยลงกว่าแต่ก่อนอันนี้ถือว่าเป็นธรรมโมหเว ร, รคติธรรมจารีไหมครับใช่สตินี่ก็เป็นธรรมอย่างหนึง่งสติกับปัญญาเนี่ยเป็นธรรมที่จะรักษาจิตไม่ให้ทุกข์เราจะหลุดพ้นจากคนที่ไม่ชอบเราได้อย่างไรครับ ก็ไปบวตใชไปอยู่คนเดียวขณะเวลาทํางานแล้วเราสามารถฟังธรรมไปด้วยบาปไหมครับไม่บาปแต่มันจะไม่ได้ผลเต็มที่การฟังธรรมเนี่ยจะได้ผลเต็มที่ต้องต้องฟังอย่างเดียวไม่ทําอะไรเลยกายวาจาใจต้องสงบร่างกายก็ไม่ทําอะไรไม่ใจก็ไม่พูดไม่คุยกับใครใจอาวาจาก็ไม่พูดไม่คุยกับใครใจก็ไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้กัการฟังทําเพียงอย่างเดียวแล้วจะได้ได้ประโยชน์เต็มร้อยช่วงนี้เป็นฤดูเดินทุดงของพระใช่ไหมครับขับรถเห็นพระหลายรูปเดินอยู่ริมถนนพระธุดงทุกลูกไหมครับไม่เขาไม่เรียกว่าธุดงค์เนเรื่องแบบจัดฉากเรื่องโชว์โชว์ว่าใช้กําลังทุดงพระธุดงจริงท่านไม่มีการรู้ว่าท่านไปทนธุดงคหรอกท่านว่าท่านท่านเข้าป่าท่านไม่ได้เดินตามถนน แล้วเขาถามต่อว่าเราพาทุกรูปต้องทุดงด้วยไหมครับคําว่าทุดงไม่แม่ไม่ได้หมายเว่าจะต้องแบบกดเดินไปตามท้องถนนนะคาว่าทุดงนี้หมายถึงไปหาที่สงบสงัดในป่าในเขาเรียกว่าเป็นการไปทุดงแต่ความจริงคำว่าทุดงนี่มันเป็นการปฏิบัติสิบสามข้อด้วยกันคือการขัดเกลอกิเลส ด, ด้วยการอยู่แบบมักน้อยสันโดษเรีว่าทุดงเช่นการบินธบานเป็นวัดนี่ก็เป็นทุดงอย่างหนึงการฉันในบ่ายก็เป็นทุดง การฉันมือเดียวก็เป็นทุตดงการใช้ผ้าบางสกลก็เป็นทุตดงการอยู่ตามคนไม้อยู่ตามป่าตามเขาก็เป็นทุตดงอันนี้เป็นทุตดงกสิบสามข้อเหมือนกันนี่เป็นเป็นเครื่องขัดเกลีจิตใจกาจัดกิเลสความโลภความอยากสุขอยากสบายทําให้การมรรลุธรรมง่ายขึ้นเร็วขึ้นแต่การแ บ, บกกดเดินเป็นาากระบวนธรรมญานตาเนี่ยมันเป็นเรื่องของ ของม่รู้เป็นของอะไรก็ไม่รู้แหะพูดไม่แต่ว่าเป็นทุดงปีกเวเวองไม่ใช่การทุดงนี่คือการไปปีกเว่วนใหญ่วท่านมักจะไปคนเดียวการไปปีกเวเวกนี้ต้องการไปอยู่คนเดียวไม่ใช่ไ ป, ไปท่านกองทัพครับปีใหม่ดีใจมากเลยที่ได้ปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันตอนเกิด จงตอนเดินจงกรมปวดหัวหัวไหล่มากจนคิดว่าจับทนไม่ไหวแล้วแต่ทนจนถึงที่สุดแล้วก็หายได้ดีใจมากแต่พอวันต่อไปก็ปวดแต่ไม่เท่าเดิมใจก็เย็นลงมากแต่ก็ยังมีโกรธอยู่แต่น้อยลงอยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปนานจะทำยังไงครับก็ทำบ่อยๆทำให้มากขึ้นทำทุกวันทำยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งยิ่งจะทำให้ความโกรธความทุกข์ต่างๆน้อยลงไปเรื่อยๆต่อไปก็จะไม่มีเลย การทำบุญในวันพระมีอนิสงส์ไหมครับทำวันไหนก็เหมือนกันทำวันพระทำวันที่ไม่ใช่วันพระก็มีนอนิสงส์มีมีบุญเหมือนกันบุญมากบุญน้อยไม่ได้อยู่ที่วันอยู่ที่ทำมากหรือทำน้อยถ้าใส่บาตรสองชุดกับใส่บาตรชุดเดียวการใส่บาตรสองชุดก็ได้มากกว่าการใส่บาตรชุดเดียวแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าทำบุญวันพระชุดเดียวเราจะได้บุญถ้าสองชุด แล้วทำวันธรรมดาทำสองชุดกลับได้บุญชุดเดียวไม่ใช่มันอยู่ที่การทำว่าเราทำมากทำน้อยไม่ได้อยู่ที่วันสภาวะธรรมในจิตคืออะไรครับอารมณ์ต่างๆไยเศร้ า, าหมองบ้างเบิกบานบ้างเครียดบ้างฟุ้งซ่านบ้างคืออารมณ์ต่างๆพระซื้อหวยนี่บาปไหมครับ มันไม่ใช่เป็นกิจของพระพระไม่ควรจะไปแสวงหาเงินทองมาบวชเพื่อหาสติไม่ใช่มาหาสตังถ้าอยากจะหาสตังก็อย่าไปบวชศึกไปไปหาสตังชาวบ้านที่เขาเลี้ยงเรานี้ไม่ได้เลี้ยงเพื่อเรามาหาสตังเขาเลี้ยงเพื่อให้มาหาสติหาธรรมะเพราะจะได้เอาธรรมะมาสั่งสอนชาวบา้านให้เป็นที่พึ่งของชาวบ้านต่อไป ก่อนนอนนั่งสมาธิประมาณสามสิบนาทีแล้วตอนนอนอยู่กับลมหายใจจนหลับไปแบบนี้ทําถูกต้องไหมครับก็นั่งสมาธิก็ถูกส่วนนอนมันก็เป็นเรื่องปกติทุกคนก็ต้องนอนกันทนั้นสามีให้เงินภรรยาเวลาภรรยาไปทําบุญสามีจะมีส่วนบุญด้วยถ้าสามีซื้อของภรรยาช่วยใส่บาตรภรรยาจะได้บุญด้วยไหมครับ คือมันอยู่ที่ว่าเป็นเงิ น, น, งนของใครแล้วก็อยู่ที่ว่าเราให้เขาแบบไหนถ้าเราให้เขาเราบอกเขาว่าช่วยเอาไปทําบุญให้หน่อยเราได้บุญคนให้ได้บุญแต่คนที่เอาไปทํานี่ไม่ได้บุญพันธุญาจะไม่ได้บุญเพราะเขาทําตามเพราะว่าทำตามคําสั่งของคุณคุณสั่งให้เขาเอาเงินทําแทนเขาช่วยเขาเป็นสะพานบุญเขาจะได้บุญในจากการที่รับใช้สามีเท่นั้นเองแต่บุญที่อยากการทําฐานนี่เขาจะไม่ได้ ถอยจะให้พันธยาได้บุญจากการทําทานเราก็ต้องไม่บอกเขาเราเอาเงินที่เราอยากจะให้เขาให้เข้าไปรับรับแต่เขาว่าเขาจะไปใช้กับอะไรถ้าเขาจะาไปทําบุญเขาก็จะได้บุญถ้าเขาไปซื้อเสื้อผ้าเขาก็จะได้เสื้อเสื้อผ้านี่อยู่ที่เขาก่อนนอนอ๋นี่ถานไปแล้วครับการบวช ด, ดับทุก์ทางใจได้ไหมครับ การบวชก็เพื่อไปดับความทุกข์ทางใจแต่ต้องปฏิบัติไม่ใช่บวเชเฉยๆไม่ใช่ก่อนหัวแนละ้วห่มเพ่าะนละ้วความทุกข์ทางใจจะหายไปมันยังไม่หายต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้ครบชั่วบริบูรณ์ความทุกข์ทั้งหลายที่มีในใจก็จะหมดไปการเล่นหวยบาปไหมครับมันไม่ใช่เกียรตสองสองไม่ได้มาบวชเพื่อมาเล่นหวยกันบวชนะี้เพื่อฆ่ากิเลสมา มาเจริญสติสมาธิปัญญาครับอันนี้ในลักษณะชาวบ้านถามว่าเราเขาเป็นบาปด้วยไหมครับหมายถึงเขาไปเล่นหวยครับอาจารย์การเล่นหวยก็เป็นอบายามกเนียถ้าเล่นแบบอจริ ง, งจังเดี๋ยวก็เจ้งหมดตัวครับเอาเงินที่ตูกหวยไปทำบุญอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้ เป็นผู้หญิงไม่ได้ทํางานเพราะเจ็บมืออยู่บ้านนั่งสมาธิฟังธรรมทุกวันก็บรรลุธรรมได้ใช่ไหมครับโดยไม่ต้องบวชชีใช่ถ้า่าคีเลีได้ก็บรรลุทำได้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างเจริญสติภาวนาเป็นอย่างไรหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นครับต้อมีหลายอย่างบางคนนั่งแล้วก็ได้ยินเสียงบางคนก็ได้ได้กลิ่นบางทีก็เห็นผ้าอะไรต่างๆเห่านี้ก็เป็นสภาวะธรรม ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะที่เรานั่งสมาธิเราก็อย่าไปสนใจให้เราภาวนาไปอยู่กับลมไปแล้ว อ, อยู่กับพุโทโธไปเดี๋ยวสภาธิธรรมะนี้ก็จะหายไปถ้าจิตเข้าสู่ความสงบขอวิธีปฏิบัติเพื่อไปถึงขั้นโสดาบันครั บ, บ, รบก็ต้องปล่อยวางร่างกายปล่อยให้ร่างกายแก่เจ็บตายเพราะห้ามมันไม่ได้อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ยินดีพร้อมที่จะแก่พร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะตายก็จะเป็นพระโสดาบันได้นั่งสมาธิไปแล้วหลับบาปไหมครับไม่เล่นบุญไม่บาปเนอกขนาดนั่งสมาธิด้วยการท่องพุโทโธความวางจิตไว้ที่ใดควรวางจิตไปที่ใดควรดูริมผีปากที่ขยับหรือว่าท่องไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องนึกถึงอะไรเลยครับอยู่กับอยู่กับพุโทโธไหม ไมควรจะทั่งไปในใจไม่ควรจะไม่ไม่คนรจะทั่ง ด, ด้วยร่างกายให้อยู่ที่ใจให้ให้ใหทั่งอยู่ในใจคิดอยู่ในใจพุโทโธพุโทโธอยู่กับความคิดนั้นอยู่คำใบรกรรมนั้นมีผู้ถามว่าที่วัดรับพระบวชใหม่ไหมครับมีความคิดว่าจะไปบวชครับมีก็ติดต่อพระเจ้าว่าได้ ดิฉันรู้สึกเสียศรัทธาครับจะทำอย่างไรกับความรู้สึกนี้ดีครับก็ต้องเข้าหาพระแท้ใชจหาพระจริงหาพระพูดพระทำพระสงฆ์แล้วศรัทธาก็จะกลับมาถ้ามีสติดีจะไม่ฝันในเวลาหลับเลยใช่ไหมครับก็น้อยมากะถ้ามันแล้วแต่มันก็ยังมีฝันอยู่แต่มันจะน้อยมากหลวงตาท่านยังบอกท่านก็เคยฝันนะ ไม่เลยไางว่าจะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ฝันเลยก็ยังมีฝันอยู่บ้างเคยไปปฏิบัติธรรมและยืนทาสมาธิจากนั้นเห็นตัวเองยืนทาสมาธิก็เกิดความคิดว่าพิจารณาร่างกายตัวเองว่ามีความน่าเกลียดแล้วตกใจว่าจิตออกจากร่างกายกลัวจะตายจึงรีบปลืมตาขึ้นทำไมจึงเป็นเช่นนี้ครับเพราะทาไม่ถูกไงเาทสมาธิไม่ให้คิดไม่ให้พิจารณาร่างกาย ให้ทับใจให้สงบให้นิ่งให้สงบก่อนถราจิตยังไม่มีสติไม่มีสมาธิเวลาไปพิจารณาเวลาเกิดอาการขึ้นมาก็ตกใจได้แต่ถ้ามีสติมีสมาธิใจก็จะรู้เฉยๆตั้งสัจจะว่าจะละเนื้อสัตว์ในวันพระแต่บางวันบางวันพระลืมอย่างนี้บาปไหมครับ ไม่บาปเราไม่ได้บุญไม่ได้บาปการจะไม่กินเนื้อสัตว์หรือกินเนื้อสัตว์นี่ไม่ได้เป็นบุญไม่เป็นบาปอะไอย่างใดการฆ่าต่างๆที่เป็นที่เป็นบาปมันไม่ได้อยู่ที่ว่ากินเนื้อสัตว์หรือไม่กินเนื้อสัตว์ทำสมาธิแบบใช้มือรูปแขนของเราได้ไหมครับไม่ได้หรอกนั้นไม่ใช่การทําสมาธิกายต้องนิ่งไม่ใช่ให้กายเคลื่อนไหว อาการขคลืนไหวนั่งเบรยดบันตายใจยก็จะไม่สงบได้นั่งกายต้องนิ่งก่อนแล้วก็วาจาก็ต้องนิ่งตาไม่พูดไม่คุยแล้วก็พยายามใช้สติหยุดหยุดความคิดให้ให้ใจนิ่งด้วยใจยถึงจะเป็นสมาธิได้ผลไม้ไหว้พระแล้วนำไปใส่บาตรได้ไหมครับได้ช่วงไปอินเดียถือศีลแปด ทางทัวเตรียมน้ำถัวเหลืองปั่นให้ดื่มมื้อเย็นอย่างนี้ถือประสินขาดไหมครับนอดแต่ว่าเราถือถือตามพระสายไหนถ้าพระสายหนึ่งท่านถือว่ากินได้ฉันได้นํางเที่ยงวันไปแล้วพ้าอีกสายหนึ่งท่านถือว่าฉันไม่ได้ก็รอแต่ว่าเราถือถือตามสายไหนมีสายที่ฉันไม่ได้ตอนบายน้ำทัวเหลืองถือว่าเป็นนมเนื้อถือว่าเป็นอาหาร แต่ที่บ้านตัดนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ได้จักสายสายนี้เขาไม่เขาไม่เดือมพวกนมพวกอะไรเหล่านี้ถือว่าเป็นอาหารครับนรรยาทําอาหารสามีนําไปใส่บาตรได้บุญเท่ากันไหมครับมันใกล้ขึ้นอยู่ว่าเป็นของของใครถ้าเป็นของทั้งคู่ก็ได้บุญทั้งคู่ถ้าเป็นเป็นสมบัติร่วมกันแล้วทำบุญร่วมกันนี่ก็เป็นของของทั้งสองคนแต่ทั้าสองคนก็ต้องมี มีจิตมีเจตนาเหมือนกันยินดีที่จะใส่บาทยินดีที่จะเสียชราเงินก้อนนี้ไปสามีมีวินัยในการสวดมนต์นั่งสมาธิมากทุกวันเช้าเย็นบุญนี้จะคุ้มครองสามีมากๆเลยใช่ไหมครับเขาเป็นคนไม่ค่อยทันคนครับก็บุญนี้จะทําให้ใจเขาสงบใจเขาเย็นจากการสวดมนต์ การที่พระมาบอกให้เป็นโยมอุปถาคอย่่งนี้ถูกต้องไหมครับไม่ถูกอ่ต้องโยงมเป็คนไปบอกไปขออนุญาตเป็นโยมอุปถาคเองพามาขอไม่ได้พระจ้าสั่งห้ามไม่ให้พาไปขอบุคคลที่ไม่ใช่เป็นญาติหรือคนที่ประวานาตัวไปแล้วงั้อยู่ดีๆโยมมาทำบุญแล้วพระก็พูดจิมโยมว่าโยมมาเอาปาอุปถาตมาสนะิจะได้บุญเยอะ ทำไม่ได้นะไม่ควรทําครับแยกไม่ออกระหว่างขมอารมณ์หรือมีสติรู้ทันครับเพราะเวลาข่มมันพยายามกดไวไงการมีสติเราไม่ได้ไปกดมันําพิ่ไม่ไปให้ความสนใจกับมันเราดึงใจให้มาอยู่กับพุทโธพุทโธแทนพอเราไม่ไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็หายไปเองถ้าไปข่มมันยิ่งกดมันยิ่งมันยิ่งต้านใหญ่ยิ่งห้ามยิ่งยุ่ยใหญ่ อย่าไปกดอย่าไปข่มนอนสวดมนต์แล้วหลับไปก่อนสวดจบอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปแต่ไม่ได้บุญได้หลับเดินจงกลมแล้วมีอาการขนลุกขนชันจะต้องทําอย่างไรต่อครับหรือต้องพิจารณาอย่างไรครับให้รู้เฉยๆจะพิจารณาว่ามันเป็นตายลักก็ได้ มปนขงที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดับไปเองไม่ต้องไปทําอะไรให้รู้เฉยๆใส่บาตรแต่ลืมกรวดน้ําผู้ตายญาติพ่อแม่จะได้บุญที่เราทําไปไหมครับไม่ได้เราต้องอดทิศบุญไม่นอกใช้น้ําก็ได้เพียงแต่แเราเลิกภายในใจว่าเขาทิศส่วนบุญนี้ให้กับบุคคลนั้น บ, บุคคลนี้ที่น้องรับไปแล้วก็ถือว่าเสร็จเขาก็จะได้รับบุญแต่ก็รอรับบุญอยู่ เมืนเขียนเช่นก็ไม่เขียนชื่อเขาเนี่ยเขาก็ไปเบิกไม่ได้คนที่สวดมนต์นั่งสมาธิทุกเช้าและก่อนนอนและรักษาศีลแปดทุกวันพระปฏิบัติมานานแต่บางครั้งยังซื้อหวยบ้างตายไปจะตกอบายภูมไม่ครับถ้าไม่ไปทําบาปไม่ยยังไม่ตกอ บ, อ, บอบายภูมนี่เกิดจากการไปทําบา แต่การเล่นถวยนี้มันอาจจะเป็นตัวที่ผักดันให้ไปทําบาปนะถ้าเล่นมากๆเล่นแล้วไม่เงินทองไม่พอใช้ก็อาจจะต้องไปขโมยเงินของคนหรือนมาเล่นต่อถ้าทําอย่างเงี้ยก็จะไปอับายได้แต่ถ้าเล่นหวยตามกําลังของเรามีเงินมากเงนะินน้อยก็เล่นไปพอไม่มีเงินก็เลิกเล่นอย่างนี้ก็ยังไม่ยังไม่ได้ไปทํำบาปก็ไม่ไปอับายจะเริ่มต้นการนั่งสมาธิครับควรเริ่มต้นในการวางจิตอย่างไรครับ ให้มีสติอยู่ทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิ ด, ดเรื่อยเปืยขอ้อข้อทําให้เราหายกลัวหายระแวงเพราะบางทีกลัวมดกัดกลัวยุงกัดเจ้าคะ่ะ อ, อ๋อก็ต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเราอยู่ในโลกนี้ก็ต้องถูกสิ่งนั้นกัดบ้างสิ่งนี้กัดบ้างเราอยู่ในโลกของอนิจจังร่างกายเราก็ต้องแก่เจ็บตาย บางทีมัก็ต้องเจ็บเจ็บจากการถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยมากเจ็บจากการเจออุบัติเหตุมากมันต้องเจอะ น, น่้ไม่พ้นถ้าเกิดมาแล้วต้องยอมรับความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็อย่าไม่กลัว <c oughs> เราทำบุญใส่บาตรฝากไว้ให้ลูกให้หลานได้ไหมครับหมายถึงให้เขาทำให้เราใช่ไม<อ>ถ้าเราฝ<อ><ร>ากเงช้นแล้วให้เขาไปทาบุญให้เราเราก็ได้ทาได้ ผมไม่แน่ใจว่าตัวเองข่มอารมณ์หรือมีสติรู้ทันเวลาที่มีอารมณ์โกรธครับถ้าเราถ้าเรารู้ทันเราเราเฉยๆเราไม่ไปตอบโต้แล้วเราใจนิ่งก็กแสดงว่าเรามีสติก็ได้จะทำอย่างไรจึงจะหายป่วยครับในทางธรรมครับยังม่เกิดเลย มาปฏิบัติเจริญสติธทำสมาธิมากๆเข้าแล้วไม่ค่อยอยากเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมคิดว่าเสียเวลาเลยทําให้ห่างเหินจากสังคมอันนี้ถ้าเราเลือกแล้วต้องยอมรับผลว่าจะโดดเดี่ยวมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ถูกต้องถ้ายิง่งใจยิ่งสงบยิ่งยังไม่อยากจะเข้าสังคมอยจะอยู่คนเดียวมาอยู่คนเดียวมันมีความสดมากกว่าการเข้าสังคมนั่นเองมันก็ไม่เป็นการเจืยหาอะไรทำคมเขาก็อยู่เข้าต่อไป เพียแต่เราก็ออกออกมาจากสังคมแล้วก็อยู่ตามลำพังของเราไปนั่นี้แต่ถ้ายัางคิดเสียดายอยู่ก็แสดงว่ากิเลสเรายัา ง, ยางยึดติดอยู่ยังอยากจะได้ทั้งสองอย่างอยากจะได้ความสงบแล้วยังอยากจะเข้าสังคมอยู่นี่ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เลือกเอาว่าทำใดทางหนึ่งมันไปด้วยกันไม่ได้ถ้าฝันเห็นพระพุทธเจ้าจะทำยังไงดีครั บ, รรรบก็กราบท่านเล ถึงสินแปดดื่มชาหลังเที่ยงได้ไหมครับได้น้ําชากาแฟนิดหนึ่งได้แต่อย่าใส่นมเท่านี้ใส่น้ําตาลได้ชาดำได้กาแฟดำได้อใส่บาทพระสงฆ์กับการให้ทานน้องหมาจรจัดแบบไหนจะได้บุญเยอะกว่ากันครับเท่ากันเท่าปริมาณให้เท่ากันกได้บุญเท่ากันอยู่ที่ปริมาณว่าให้อย่างไงมากกว่ากันให้พระมากกว่าให้หมา ก็ได้บุญก็จะได้บุญจากการให้พระมากกว่าแต่ถ้าให้หมามากกว่าให้พระการให้หมาก็จะได้บุญมากกว่าการให้พระอยู่ที่การให้ปริมาณของการให้เวลาให้มากหรือให้น้อยไม่รีวว่าเป็นใครตอนนี้อยากเปลี่ยนงานใหม่ที่ทำงานชอบไว้แข่งกันปุ้ยชอบงานที่ทำแต่ไม่ได้อยากไต่บันไดระบบบางทีเหนื่อยกับระบบและคนการที่เรามีความอยากแบบนี้ มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรหรือครับก็มันอยู่ที่จริตของเราเนี่ยเราเราชอบแบบแไหนเราก็เลือกทงานแบบนั้นไปถ้าเราไม่ชอบแข่งขันกับใครเราก็ไปทํางานอิสระทํางานของเราคนเดียวแข่งขันกับตัวเราเองถ้าขยานันแล้วถ้าเราชนะความขยันชนะความขี้เกียจเราก็จะได้รายได้มากถ้าความขี้เกียจชนะความขยนนะัขยนก็จะได้ไรายน้อยนอยแต่เราไม่เราจะไม่มีปัญหากับใคร มันเป็นเรื่องของความของเจตลดของแต่ละคนนิสัยของแต่ละคนคเคยนั่งสมาธิตามดูไตลักษ์ของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วดูผู้รู้ผู้หลงเกิดดับอยู่ดีๆคําถามก็ขาดไปครับคือการดูเหล่านี้มันไม่ไม่สําคัญเท่ากับดูเวลาที่เกิดความทุกข์เราเราจะดับความทุกข์ได้อย่างไรมากกว่าการดูสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นเพลง เป็นการศึกษาข้อมูลต่างๆเพื่อที่เราจะมาใช้สอนใจให้เราปล่อยวางเช่นเวลาเกิดเวทนาทุกเวทนาขึ้นมาแล้วใจเราทุกเราก็ต้องพิจารณาว่าใจเราทุกเพราะเราอยากให้ทุกกเวทนาหายไปถ้าเราไม่อยากให้ใจเราทุกเราก็ต้องยอมรับ ว, ว่าทุกเวทนาเป็นอนัตตาเราไม่สามารถควบคุมบังคับเขาได้สั่งเขาได้เขาจะมาเขาก็มาเขาจะไปเขาก็ไปเขาจะอยู่เขาก็อยู่ ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับเขาเราก็ต้องใช้เฉยกับเขาไปครับมีคำถามต่อเหมันเขาบอกว่าเหมือนมีความสุขถล่มลงมาจนจะระเบิดรับไม่ไหวแบบเนี้ยครับอาจารย์ก็ไม่รู้เป็นการความสุขจะถล่มลงมาแล้วรับไม่ไหวได้ไงถ้าเป็นความสุขเท่าไหร่ก็ต้องรับได้สิวิบากกรรมทั้งหลายที่ดีและไม่ดีของบิดามารดาสามารถตกทอดสู่บุตรธิดาได้ไหมครับ ไม่ได้หล้วมันของใครของมันเป็นทุกข์เพราะเพื่อนแต่ต้องมีสังคมควรปฏิบัติตัวอย่างไรดีครับก็ไม่มไม่มจําเป็นจะต้องมีสังคมเราไปคิดว่ายันต้องมีสังคมถ้ามีสังคมก็ต้องไปทุกข์กับเขาใช่ไหมถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็จะอยู่คนเดียวไป ระหว่างที่ผมนั่งสมาธิมีความคิดถึงเหตุการณ์ที่น่ากลัวในอดีตผุดขึ้นมามีอาการเหงื่อออกใจสัน่นพอออกจากสมาธิก็ยังมีความคิดนี้ผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแบบนี้ควรทําอย่างไรครับแบบนี้ไม่ได้เรียกว่านั่งสมาธิานี่เรียกว่านั่งคลุ้งซ่านเวลานั่งสมาธิต้องควบคุมความคิดไม่ให้คิดให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธอย่างเดียวถ้าคิดก็แสดงว่าเราเพลอสตินะไม่ได้นั่งสมาธิเริ่นั่งนั่งเพื่อให้จิตฟลุ้งซนะ่าน เรานั่งสมาธิอุทิศบุญให้ผู้ร่วงลับได้ไหมครับมันยังไม่เกิดเลยบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิยังไม่เกิดในขณะที่เรานั่งจะเกิดก็ต่อเมื่อจิตน่วงเข้าสู่ความสงบซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากสําหรับฆราวาสผู้ที่ผู้ที่ฝึกวันละครั้งสองครั้งนี่นมันยากที่จะได้ผลจากการถูกสมาธิแม้แต่พระ บ, บางรูปนี้ท่านบวชเป็นปี์ๆอย่างน้องตาท่านหลอก ท่านหกปีแรกที่ท่านบวชท่านยังไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่ท่านยังต้องเรียนหนังสืออยู่ในี่ท่านบวจิตใครดวงแค่สามครั้งนท่นภายในหกปีอืมดังนั้นอยน่า่นน้ยมที่จะใช้การฝึกสมาธิเพื่อบุจิบุญใช้การทำบุญทําทานนี่ทปุ๊บได้ปั๊บเลยเกิดผลทันทีเลยพอเราบอยจัง ก, กันไปปั๊บเราเกิดความสุขใจขึ้นมานี่อันนี้หนักขึ้นบุญเกิดขึ้นทันทีเลย แต่นั่งสมาธิจิตยังไม่รวมความสุขใจยังไม่เกิดเราจะ อ, าอะไรไปอุทิศนะอาจารย์ครับแต่ถ้าจิตรวมอย่างหลวงตาแผ่แผ่บุญจากอนันต์ได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์นั้นท่านจะแผนะ่คิดว่าได้นะแต่เห็ น, นว่าเขาเขาไม่แผ่กันนะเขาอยากจะทําบุญเขาอุทิศกันนะท่ททนานทําทานนักอุทิศบุญดีกว่าตามธรรมเนียม อันนี้เราคิดไปเองนะเราก็อาจจะเราก็ไม่รู้ว่าแผ่ได้หรือแผ่ไม่ได้เราก็ยังไม่รู้เพราะในตําราก็ไม่มีพูดไว้ในตําราก็แสดงว่าอยากจะอุทิศบุญให้ทําบุญทําทานครับอันนี้เรามาแปลความว่าบุญอย่างถ้าเป็นบุญชนิดไหนก็แผ่ได้อันนี้เราก็สลบ ก, กันเอาเองอันนี้แต่ถ้าจะให้ถูกต้องตามตาราก็ต้องทําบุญทําทานทําทานแล้วก็ได้บุญพอได้บุญแล้วก็อุทิศบุญนั้นได้ แต่ไม่ได้บอกว่าถ้ารักษาศีลแล้วได้บุญแล้วอุทิศบุญไปได้นั่งสมาธิได้บุญแล้วอุทิศไปได้มันรู้เป็นภาสโสดาบันแล้วอุทิศบุญนี้ไปได้นี่ไม่มีแสดงว่าในตำนานก็เลย ไ, ไม่อยากจะไม่อยากจะพูดไม่อยากจะ ต, ตอบเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าทําได้ไหรือไม่ได้เพียงแต่รู้ว่ามันยากกว่าจะได้เนะ่ะ <c oughs> เหมือนกับเอาไปซื้อกล้วยในในตลาดมาใส่บาตรกับไปปลูกปลูกกล้วยเองกว่อจะปลูกเสร็จ ก้วยก่อนจะโตขึ้นมาเนี่ยมันกี่เดือนนะใช่ไหมครับนอนบริกรรมพุโทโธจนหลับไปทําถูกไหมครับถ้านอนเพื่อนอนหลับก็ถูกแต่ถ้าทำเพื่อนั่งสมาธิเพื่อสมาธิก็ไม่ถูกเพราะนั่งสมาธิเราไม่ต้องการหลับเราต้องการให้จิตสงบแต่ไม่หลับระหว่างการปฏิบัติธรรมที่บ้านกลับไปทําบุญกับที่วัดบุญจะต่างกันไหมครับ บุญก็คือผลเนี่ยก็แล้วแต่ว่าที่ไหนให้ผลที่นั้นก็เป็นเป็นบุญถ้าทําบุญที่ที่ปฏิบัติทำที่บ้านแล้วจิตสงบก็เป็นผลก็ได้บุญไปทําที่วัดก็ได้ผ ล, ททผลมันก็ได้บุญเหมือนกันแต่โดยทั่วไปแล้วการปฏิบัตทิที่บ้านมันยากกว่าการปฏิบัติที่ที่วัดเพรา ะ, ะบรรยากาศมันไม่มันต่างกันบรรยากาศที่บ้านมันอาจจะวุ่นวายมากกว่า บ, บรรยากาศที่วัดที่วัดมันจะสงบกว่า มันก็จะทำให้ผลที่เกิดจากการปฏิบัตินี้เกิดขึ้นได้ง่ายกว่านั่งสมาธิใช้คำปริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆระยะหนึ่งแล้วหูอื้อดับไประยะหนึ่งแล้วจิตรวมควรปฏิบัติอย่างไรครับให้มันรวมนานๆเนี่ยแล้วบ่อยๆ <c oughs> ก่อนนั่งสมาธิจะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกจะเข้าสมาธิได้เลยแต่ทำไมต้องพุทโธแล้วอึดอัดครับ ก็แล้วแต่จลิตของเราไม่ใช้พูดถกก็ได้ใช้การดูลมหายใจก็ได้วิธีไหนที่ทําให้จิตสงบได้ก็ใช้วิธีนั้นไปเวลาเราเดินเรารู้ว่าเราเดินเวลาทําอะไรเรารู้สึกตัวแบบนี้ถือว่าเป็นการทําสมาธิด้วยถูกไหมครับทําสติไ ม, ยไมย่ยังไม่ยังไม่ได้ทำสมาธิทําสมาธิต้องนั่งเฉยเฉต้องไม่เคลื่อนไหวจิตถึงจะนิ่งสงบเป็นสมาธิได้ ตอนจะสตินี่มันยังมันจิตยังเคลื่อนยังเคลื่อนไหวอยู่ร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่จิตล้วทํางานอยู่ถ้าต้องการให้จิตยหยุดทํางานต้องนั่งเฉยๆทําอย่างไรถึงจะได้เป็นพระอรหันต์ครับก็ฆ่ากิเลสให้หมดฆ่าความโล้ความกดความหลงให้มีในใจให้หมดไปสิ้นไปจากใจด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา นั่งสมาธิแล้วยังฟุ้งบ่อยมีวิธีแก้อย่างไรครับต้องฝึกสติให้มากมากก่อนที่จะมานั่งฝึกแก้แดดลืมตาขึ้นมาเลยพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาเราการที่เรารู้สึกว่าควรจะนําผ้าห่มไปเยี่ยมพระเมื่อไปถึงพระอาพาธและไม่มีผ้าหม่มแปลว่าอะไรครับไม่แปลว่าอะไรเราไม่รู้แปลเราไม่รู้จะแป ล, แปลว่าอะไรนะคุณแปลเสิ ถ้าไปปฏิบัติธรรมถือศีลห้าได้ไหมครับเพราะว่ามีโรคประจำตัวเป็นกระเพาะและกดไหลย้อนครับมันศีนห้ามันจะมีกำลังน้อยกว่าศีลแปดในการที่จะทำให้จิตสงบรักษาได้แต่จะสงบยากกว่าการรักษาศีลแปดชั้นมนุษย์เทวดานางฟ้าพรมอรุปภมเทียบชั้นกับโสดาบันสกิทาอนาคารหันอย่างไรครับคือ ระดับอริยะบุคคลโสดาบันทั้งาหลายนี้เป็นระดับที่ยั่งยืนถาวรไม่เสื่อมพอเป็นโสดาบันแล้วก็จะไม่เสื่อมแต่ทางทางทางทา ง, ทางมนุษย์ทางเทวดาทางพรหมนี่มันเสื่อมได้เจริญแล้วเสื่อมได้ยังอยู่ภายใต้กฎอ น, นิจจังแต่ถ้าเป็นพระอริยะบุคคลแล้วมันจะไม่เสื่อมพอเป็นโสดาบันแล้วจะไม่เสื่อมกลับมาเป็นบุบถุชนธรรมดามีแต่จะขึ้นไปตามกําลังของการปฏิบัติ เอาเป็นสกิดาคาก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นโสดาเอาเป็นนาคาก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นสกิดาคาถ้าเป็นอาหารหันต์ก็จะไม่เสื่อมกลับมาเป็นอะไรทั้งสิน้นถ้าเป็นตัว๋วตั๋วเครื่องบินครับเป็นวันเวทิคอนไปแล้วไม่กลับ เก็บเงินใส่กล่องทําบุญแต่โอนด้วยแอปธนาคารแล้วนําเงินในกล่องออกมาใช้แทนเท่าจํานวนที่โอนไปทําบุญอย่างนี้ได้ไหมครับได้ได้เหมือนกันอยู่ในครอบครัวที่มีมิจฉาทิฏฐิมากเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมที่ดีมีสัมมาทิฏฐิและนําพาครอบครัวไปในทางที่ถูกได้ครับแล้วก็ยึดพระพูดธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์ทําตามที่พระพุทธพระธรรมพระสองฆ์สอนเรา ส่วนคนอื่นจะทำยังไงก็เรื่องของเขาไปคนที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นคือหมดสิ้นทางโลกแล้วเช่นนี้หรือเปล่าครับหรือว่ายังต้องวนเวียนอยู่ในอยู่บนโลกครับอ๋อยังต้องกลับมาเกิดอีกถ้ายังไม่ได้ไ ป, เ ป, เ, ปเป็นพระละก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าฝากของให้ผู้อื่นถวายพระที่ต่างจังหวัดไม่ทราบว่าผู้ฝากของหรือผู้ถวายได้บุญมากกว่ากันครับ ได้บุญคนละชนิดผู้ฝากผู้ฝากของถวายก็ได้บุญที่เกิดจากการให้ของผู้รับของไปให้ก็เป็นผู้ที่ได้รับได้รับบุญจากการรับใช้ผู้ที่ฝากของไปช่วยเหลือผู้ที่เขาไปเองไม่ได้คนนี้ก็จะได้บุญคนละชนิดกันเขาจะได้บุญที่เกิดจากการรับใช้ช่วยเหลือผู้ส่วนเจ้าของของก็จะได้รับบุญจากการเสียสละเข้าของไป เป็นบุญคนละชนิดคยากันตอนเช้าถ้าเราอนุโมทนาบุญกับพี่น้องร่วมโลกของเราทุกวันเราจะได้บุญไหมครับก็ได้บุญจากการอนุโมทนาแต่ไม่ได้บุญจากการทำบุญทำทานมันมันเป็นบุญคนละชนิดกันถ้าเรานั่งสมาธิแล้วจิตหยุดคิดไม่ฟุ้งอยู่กับพุทโธได้อย่างนี้ถือว่าเราเริ่มเข้าสู่สมาธิแล้วใช่ไหยครับ ก็เริ่มเข้าแล<ช>้วแต่ยังไม่สงบยังไม่นิ่งต้องท้าให้มันนิ่งคนที่ใส่ร้ายหรือเอาเปรียบเขามักจะเกิดเรื่องไม่ดีกับลูกเขามันบังเอิญหรือว่ามันเป็นกรรมครับแต่ละคนมีเป็นในบุญมีกรรมของแต่ละคนมายังเราไม่สามารถที่จะไปไปวิเคราะห์ได้ว่าเป็นเป็นบุญส่วนไหนของใครแต่ส่วนใหญ่บุญกรรมนี่เป็นของเฉพาะตน ใครทำบุญก็ได้บุญไปไม่เลยเกี่ยวกับคนที่เป็นลูกหรืนเป็นคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรามันคนละเรื่อง ก, กันพรร ย, ยานป็นกรรมใครกรรมมันบุญใครบุญมันขับรถบนถนนที่มืดทําให้มองไม่เห็นงูเหลือมตัวใหญ่กําลังข้ามถนนจึงเหยียบเขาเสียชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจรู้สึกไม่สบายใจควรจะทําอย่างไรดีครับคือเบื้องต้นเรามันไม่บาปถ้าเราไม่มีเจตนา หนูบัติเตุแต่ถ้าเราอยากจะทําบุญอุทิศให้กับเขาก็ทําบุญไปอุทิศไปให้กับเขาได้เพื่อความสบายใจของเราท่านนี้เป็นหมอนะครับเรียนถามพระอาจารย์ว่าทุกบีบคั้นและเศร้าเมื่อคิดถึงคนไข้ที่จากไปบางครั้งรู้สึกทุกข์มากว่าเป็นเพราะตนเองไม่เก่งพอหรือคิดซ้ําๆถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะรักษาอีกแบบ ผ่านเวลามาหลายปีตั้งสติดีขึ้นแต่แล้วก็ยังมีความบีบขันเช่นนี้อยู่ขอพระอาจารย์โปรดสัง่งสอนด้วยครับก็คือเราต้องมองสองส่วนส่วนเรากับส่วนคนไข้คนไข้ก็อาจจะถึงเวลาที่เขาจะต้องตายไม่ว่าหมอจะเก่งขนาดไหนดูแลดีขนาดไหนก็ห้ามความตายเขาไม่ได้ถ้าถึงเวลาที่เขาจะต้องตายในส่วนนี้เราก็ต้องมองในส่วนของเราเราก็ต้องมองว่าเราทําดีหรืยอยังเราทําถูกหรืยอยัง ถ้ายังทำไม่ดีทำไม่ถูกเขาพยายามทำให้ดีทำให้ถูกอันนี้เป็นส่วนของเราต้องยากเป็นสองส่วนถ้าอะไรจะเกิดก็ต้องยอมรับว่าก็ทำได้เท่านี้การยอมรับเหตุการณ์ที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราและบุคคลในครอบครัวเป็นการปล่อยวางใช่ไหมครับใช่ถ้าใราที่ลูกบวช เวลาศึกแล้วเอากลับบ้านได้ไหมครับได้แต่คนที่จะบริจากให้วัดไปดีกว่าเพื่อมีคนมาบวชที่เขาไม่มีเงนินมีทองเอาวัด น, นี่ยากจนภาพอาจจะไม่พอใช้เขาก็จะได้ใช้ประโยชน์ได้ถ้าเรามาเก็บไว้เฉยๆก็ไม่มีประโยชน์อะไรของนี่เป็นของของที่ใช้ในการบวชนี่มีคนรจะเอากลับบ้านควรจะบริจาคให้กับวัดไปดีกว่าเพราะทางวัดจะได้เอาไปทําประโยชน์ต่อไป ฝึกสมาธิวิปัสนามาสิบปีตอนนี้เบื่อทางโลกเห็นว่าไม่มีอะไรเลยบวชเลยดีไหมครับอาจารย์ดีจะบวชได้หรือเปล่าท่านบวชแล้วอยู่ได้หรือเปล่าอันนั้นอย่างนี้คนนอกก็อยากจะเข้าเพอคนไทยก็อยากจะออกคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ทำยังไงให้คนเลิกจองเวรจองกรรมกับเราครับ แล้วทําคนอื่นไม่ได้น่าจะเราทําตัวเราได้เพียงคนเดียวได้เราเลือกจองกรรมจองเวรกับคนอื่นได้แต่เราไปทําให้คนอื่นก็เลืิกจองกรรมจองเวรไม่ได้งั้นอย่าไปอย่าไปทําคนอื่นทําตัวเราคนเดียวก็พอถ้าเราไม่จองเวรจองกรรมกับใครแล้วเราก็สบายใจขอโอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ในเฟซเจ็ดร้อยี่สิบห้าในยูเจ็ด้อยสิบในครับหก ทิกตอกหก1้อยสิบเอ็ดรวมเพื่อนเพื่อนฟังทมอยู่ด้วยกันสองพันกับแปดสิบสองคนนะครับอ่านคำถามแรกยี่สิบนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีวันนี้ฟาจารย์ตอบไปหนึ่งร้อยี่สิบเจ็ดคำถามครับโอยเยอะขนาดนั้นเลยนะ ค, คนก็เข้ามาเยอะนะหรวันนี้อาจจะเป็นเพราะ ว, วันแรกของปีใหม่เนดะี๋อาจะเป็นหัวหัวข้อถามที่คุณหมอตั้งไว้ก็ได้นะคนก็อยากรู้ว่ามันดูทำยังไงกัน ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาสนทนาฟังเทศฟังธรรมหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์มากไม่มากก็น้อยนั้นําเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลต่อไปการสนทนาธรรมสําหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปคิดพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความศพความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเท อ, <า>อร์นสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผูฟม้ฟังไว้เพียงเท่านี้ ถ้าไม่มีเหตุอันายขัดข้องก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในวันอาทิตย์หน้าขอจเจริญพรขอบพาคุณพระอาจารย์ครับ